จเจริญธรรมทุกคนวันนี้วันขึ้นสิบห้าคัาเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้วันออกพรรษาแล้ววันนี้นเข้าไปดูพญนาค ไปดูบ่องไฟพญานาคพญานาคนี่พ่นบ้องไฟขึ้นมาเป็นลูกลูกไฟเออนั่นมันน่าจะเรียกบ้องไฟเขาน่าจะเรียกลูกไฟพญานาคไปเรียกบ้องไฟพญานาคได้ไงบ้องไฟมันไอที่จุดเนาะมันเป็นลำยาวๆอันนี้มันเป็นลูกลอยขึ้นมาเหมนลูกไฟไม่ใช่บ่องไฟซะหน่อยเรียกบ้องไฟพญานาคกัน ซึ่งก็ยังพิสูจน์กันไม่ได้ว่ามันอะไรนเขาก็ยังไม่พิสูจน์หรือพิสูจน์กันไม่ได้กันอยู่ว่ามันอะไรกันแต่พอวันออกพรรษานี่ก็จะมีนี่ขึ้นมาจริงๆก็มีคนเขาบอกจริงมันก็ไม่ได้มีวันนี้วันเดียว เขาว่ามันมันไม่ได้มีอยู่วันนี้วันเดียวอ่ะมันก็มีวันอื่นๆก็มีมันขึ้นอยู่วันอื่นมันก็ขึ้นอยู่แต่คนมันจับจ้องเอาวันนี้วันอื่นๆเขก็มีมันก็เห็นมันก็ขึ้นอยู่มันก็คงเป็นแก๊สเป็นอะไรอะไรที่มันจะออกมาเขาก็ไม่ได้พิสูจน์ที่จริงมันก็อาจจะมีคนพิสูจน์แต่ไม่อยากจะพิสูจน์เปิดเผยออกมาว่ามันเป็นทางวิทยาศาสตร์ได้เพราความขลังมันจะหายไป พอมองเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ธรรมด า, มดาเดี๋ยวพญานาคก็เลยหายไป mm. เขาก็เลยเอาพญานาคไว้ก่อน mm. เพราะว่ามันหากินได้ <c oughs> ปีๆหนึ่งได้เงินหลายนะหากินใช้อั น, นี้เป็นเรื่องอสร้างเศรษฐกิจมุนเวียนนักคนเราก็เท่านั้นอัตมาก็ยิ่งเห็นเออคนเราเนี่ถ้าเผื่อว่ามันไม่มาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้ากันจริงๆจังๆ จนสามารถที่จะเรียนรู้ศัจธรรมเรียนรู้สภาวะของกิเลส ท, ที่เป็นนามธรรมามันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างอะไรจริงๆแต่มันเป็นอาการนั่นแหละที่พระุทธเจา้าท่านตรัสว่าอาการลิงคะนิมิตอุเทศมันเป็นอาการที่มีเครื่องหมายที่เราจะต้องสัมผัสกาหนดหมายอาการนั้นเอาเองมันเป็นอาการไหว เรียว่าวิญยัตเป็นอาการไหวเคลื่อนไหวมีสภาพไหวมันเป็นอาการไหวให้รู้ได้มันเป็นนามธรรมเหมือนลมมันไหวเนี่ยลมมันไหวมันเราสามารถสัมผัสลมมันไหวแต่เราไม่ได้สัมผัสทางตาแต่เราสัมผัสทางสัมผัสทีนี้สัมผัสทางจิตนี่มันก็จะสัมผัสทางทางสัมผัสรู้สึกใช้ความรู้สึกสัมผัสว่าอ๋อมันไหวอาการไหว เช่นเรารู้อาการของความโกรธมันก็ไหวอาการหนึ่งอาการของความโลภมันก็ไหวอาการหนึ่งลักษณะของอาการที่มันไหวลักษณะโลภเราก็ต้องใช้สัญญาเรียกว่าเครื่องกำหนดหมายกำหนดรู้สัญญากำหนดรู้ว่าอ๋อไอสภาพที่มันมันมันไหวให้รู้นี่นะเรียกอีกภาษาหนึ่งท่าเรียกว่าสัญญา มันเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณที่ทำให้เกิดภาวะนั้นสัญญาณภาวะนั้นแล้วเราก็มีสัญญาสัมผัสรู้สัมผัสอาการนั้นเกิดทันทีก็รู้ทันทีว่าออนี่อาการโกรธนี่อาการโลภใครเองสัมผัสรู้ม้างใครสัมผัสรู้บ้างเออเก่ง นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยานปัญญายานรู้นั่นแหละอันนี้แหละสำคัญนีน่พูดมานานพูดมาเท่าไรเท่าไรเพื่อให้รู้เนี่ยอาการอย่างนี้อาการโกรธนั่นแหละคือส ก, กายะอาการโลภนั่นแหละคือสกายะคือสังโยชน์ตัวที่หนึ่งคือองค์ประชุมของนามธรรมา องประชุมของนามธรรมา ท, ที่มันเกิดองคประชุมทั้งมีเรามีรูปขันแล้ามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีจิตอิญญาอยู่เนยตาหูจมูกลิ้นกายแท่งนี้และมันก็ประกอบกันออกมาพอสัมผัสตั้งตามันก็เกิดาการนี้ขึ้นจากอันนั้นอ่ะมันก็ยึดถือปรุงแต่งผสมส่วนอยู่ในนี้หมดเลยเรียกว่าองค์ประชุมกา ย, ยะของเราเองสักกะสักกา ย, ยะเนี่ย สักกับล้วของตนอันนี้องค์ประชุมนีของตนอ่านของตนเองนี่ให้ออกมันเป็นนามธรรมมันอยู่ของเราเนี่ยสัปดาหเมื่ อ, อไหรมันเกิดเมื่อไรปั๊บก็อ่านรู้อ๋อใครที่สามารถอ่านตัวนี้ออกคนนั้นเห็นสักกายะของตนนี่แหละส ก, กาย ะ, ะแล้วรู้องค์ประชุมนี่ที่มันเป็นสภาวะอาการลิงคะมันแตกต่างกันอย่างลิงคะ อาการของความโกรธมันแบบหนึ่งอาการอย่างหนึ่งอาการของความโลภเออมันต่างกันอาการมันไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ว่าอาการมันมากอาการมันแรงกับอาการมันเบาอาการมันน้อยอาการมันเบามันก็มีความต่างกันลิงคะในยะที่ต่างกันนี่แหละอาการที่สภาพต่างกันพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านสอน สอนในอาณาปานาสติหรือกายค็ต่สติโดยเฉพาะอาณาปานาสติเนี่ยเราเห็นลมลมเข้ามันก็อย่างหนึ่งนะลมเข้าลมออกก็อย่างหนึ่งน ะ, ะลมมันก็ไม่มีสภาพที่จะเป็นตัวตนรูปร่างอะไรแต่เราสัมผัสเออลมมันเข้าสัมผัสลูมันเข้าเออนี่ลมมันออกนะมันต่างกันนะลิงค์ขะมันเข้ายาว ก็เข้าสั้นแล้วก็ออกสั้นแล้วก็ออกก็เข้ายาวแล้วค่อยออกยาวๆเออมันก็ต่างกันนะนั่นแหะท่านสอนอาณาปานสเตให้กําหนดกายคือลมกองลมคือกายแล้วดูมันเข้าดูมันออกดูมันสั้นดูมันยาวก็คือบอกให้รู้อ่านความต่างกันลิงค์กำหนดไม้ว่ามันต่างกันจิตก็เหมือนกันมันโกรธมันโลภ มันมากมันน้อยน่ยมันแรงมันเบามันเร็วมันช้ามันมีอยู่หรือไม่มีอย่างนี้เป็นต้นอ่านสภาพมันเออมันไม่มีมันมีแต่มันน้อยลงเบาลงเออยหายไปวัดไปเอวัดมาอีกแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเป็นนามาทําทั้งสิ้นแต่มันมีอาการที่เราสัมผัส รู้ได้ด้วยญาณผู้ใดได้ฝึกฝนเรียนรู้ญาณพวกนี้สร้างญาณพวกนี้ให้รู้อาการทางจิตจิตใจเรามีอาการลิงขันิมิตแล้วเราก็กำหนดกำหนดหมายเอาเองกำหนดหมายหรือเครื่องหมายทำเครื่องหมายเอาเองว่าโอ้ยังงี้มันเป็นยางงี้ยางงี้ยังงี้ยางงี้ยังงี้รวบยังงี้โกรธย่างนี้หลงยังงี้น้อยยังงี้มากอย่างงี้แรงยังนี้เบา อย่างนี้อาการจัดจ้านอาการโอ้โหมันแรงเลมันทําให้เราทนไม่ได้เลยนี่ปัทุร้อนจ่าชาเลยนเนี่ยเป็นการร้อนรอนไปถึงใจร้อนเลยเนี่ใจร้อนๆเลยเนี่ยโอ้ย่างงี้ใจเย็นเย็นโอ้ย่างงี้ใจสบายสบายยางงี้ใจเศร้าเศร้ายังงี้ใจเห่ยวเหี่ยวอย่างงี้ใจแห้งแห้งยังงี้ใจห่วยห่ยใจห่วยห่วยหาใจ นี่ต่างๆนาบางอามันแตกต่างกันลิงคขะนั่นแหละอ่านให้ออกแล้วก็กำหนดหมายให้รู้อาการเหล่านั้นเป็นอาการไม่จริงทั้งนั้นอาการยึดอาการมีแล้วก็เป็นไปกับมันอาการอย่างนี้ว่ามันเศร้าแล้วเราก็ดูอาการรู้สึกไปเศร้ากับมันอาการอย่างนี้มันแห้งมันเดียวโอ้เป็นอย่างเยี้ยนั่นแหละจริงๆมันไม่มีหรอก มันไปยึดติดตามอะไรมาแล้วเราก็มาเป็นมามีแล้วก็จริงงถือว่ามันจริงจริงๆไม่จริงหรอกมันเศร้ามันเหี่ยวมันแว่งมันเบ้ามันทุกข์มันสุขมันอะไรมันไม่มีเพราะนัใครที่ทำใจของเรามันไม่มีจนกระทั่งในใจเรามมนไม้เป็นแล้วอาการเสียก็ไม่มีใจมันไม่ได้เสียอะไรใจมันเศร้าไม่ได้เศร้าอะไรใจมันแห้งไม่แห้งหิงอะไร แม่ใจมันวูฟว้าเป็นอาการโกรธมันไม่ได้โกรธอะไรมันไม่มีอาการนี้แล้วโลกมันก็ไม่โลภอะไรแล้วมันก็รู้แต่ความเป็นจริงอันนั้นคืออันนั้นอันนี้คื อ, อ น, น, อ น, น, อ น, นี้เรามีก็มีไม่มีก็ไม่ ม, ไ ม, มีได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปถ้าจะมีก็พยายามใช้ตนเองในคน้นควายหาให้มันมีมีได้มาก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเราคน้นควายหาเองแต่ใครเขาจะให้มาโดยทำ ให้มาโดยสุจริตโดยอะไรโดยจริงใจโดยอะไรก็เอา้าให้มาสมควรรับก็รับไม่สมควรรับเราก็ไม่รับอะไรเงี่ยถ้าเข้าใจแล้วจิตของเราไม่มียึดถือไม่มีดึงดันไม่มีอยากนั่นอยากนี่อย่างงนอย่างเงี้ยอะไรก็จะกระทั่งเป็นบัดเป็นเวรเราก็สบายใจสบายชีวิตก็อยู่ไปสร้างสรรไปมีหน้าที่การงานอะไรที่ควรทาอยู่กับหมูก่กกลุ่มทาไป ช่วยกันไปคนนั้นทํามันนี้คนนี้ทํามันนั้นอะไรมีความจําเป็นอะไรมีความสําคัญที่เราจะต้องทําก็ทํากันไปแล้วก็อาศัยใชย้สอยอาศัยอยู่อาศัยกินเป็นอุปโภคบริโภคกันไปชีวิตมีมากก็แจกจ่ายคนมีน้อยเนีอะไรเป็นพิษเป็นภัยก็เอาออกกันอย่าเอามาใช้เอามาหลอกมาล่ออย่าเอามาให้มันเสีย เ, เสียความเป็นอยู่ของคน อะไรต่างๆนานาพวกนี้นี่เป็นสภาพของความเป็นจริงที่คนไม่ค่อยเข้าใจแล้วกายึดถือแล้วก็เป็นอะไรอะไรสาราพัดสารเพยดีเมื่อก็ยึดมั่นถือมั่นจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นแม้แต่วัตถุก็ต้องเอาของเราแม้แต่อารมณ์ก็จะต้องมีต้องเป็นถ้าไม่มีอารมณ์นี่ก็รู้สึกว่าแห้งเหี่ยวรู้สึกว่ามันโอ้เราว่าเวเราขาดอะไรต่างๆนานา ซึ่งเกิดแต่ใจเท่านั้นใจไปยึดมัน่นถือมัน่นใจไปจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นอย่างง้นอย่างนี้แล้วก็ฝังไว้ในใจว่าต้องเป็นต้องมีถ้าไม่มีอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นสุขชีวิตนี่ขาดอะไรต่ต่างๆนานาพวกเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้าใจดีๆจริงๆแล้วแล้วเราสามารถวางได้ปรานั้นแล้วไม่ต้องยึดต้องถือได้โอมันไม่จริงอย่างนี้เองมันไม่ไม่มีอนัตตา แต่ก่อนนี้มันมี ม, ม, มีจริงๆเลยเพราะอะไรที่เราสามารถวางได้ปล่อยได้มันไม่มีในใจเราอีกแล้วแม้สภาพนั้นประกอบไปได้วยสภาวะประกอบ ไ, ได้วยสภาวะที่กระทบเราอีกเออแต่ก่อนเราเกิดอาการอร่อยอาการชอบแล้วกระทบแล้วเราเกิดอาการไม่ชอบผลักชังพอเดี๋ยวนี้โดยเฉยๆสัมผัสแล้วมันก็อาการนั้นก็ไม่มีชอบก็ไม่มี ผักก็ไมมีดูดก็ไม่มีชอบก็ไม่มีผลักก็ไม่มีดูดก็ไม่มีอันนั้นแหละแต่ก่อนนี้เราเคยยึดเคยติดเคยถือเดี๋ยวนี้ไม่มีนี่คือสภาพของความเป็นจริงของธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าอะไรกันต่างๆเราก็สัมผัสรู้รู้ตามความเป็นจริงรู้หรือจะใช้อีกสนนัมมณนึงว่รู้ก็ศักติตวะรู้ ก็รู้อันนั้นก็คืออันนั้นก็เท่านั้นเองไม่ต้องวูบต้องวับจิตเฉยเจิตกลางๆจิตมีแต่ธาตุรู้ความจริงแล้วก็มีแต่ความจริงเท่านั้นใครจิตใจทํำนี้ได้เป็นพระอรหันต์เลยรู้ความจริงทําการเป็นจริงเท่านั้นจิตไม่วุบไม่วาบไม่เศร้าไม่ซอยไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่มองไม่หม่นไม่ผลักไม่ดูอะไรเลยจนจะตั้งรู้อาการของอาการเศร้ายังเหลืออยู่บ้าง ก็เรียกว่ายังมีอินทรีย์ของชีวะอินทรีย์ของชีวะตัวทุกตัวผีตัวกิเลจะเหลืออยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหะถ้ามันเหลืออยู่มากก็โอ้โหชีวิตมันยังตัวโตถ้ามันเหลืออยู่น้อยชีวิตมันก็เลยน้อยเล็กมันมีอยู่เบาๆเป็นละหุตาแล้วก็รู้โอ้มันเหลืออยู่เนาะเบาๆ ยานที่เราสามารถรู้ละหุตารู้ความเบารู้ความน้อยความละเอียดลงไปเงี้ยความละเอียดเหลือ น, น้อยกับความไม่มีนี่ใกล้กันแยกกันยากมากนะแยกกันยากมากเรียกลักษณะนี้โดยภาษาว่าอากินจัญญะอากินจัญญะเพราะฉะนั้นต้องสัมผัส ด, ดู มันยังมีหรือเปล่านิดหนึ่งน้อยหนึงน่งยังมีเปล่าเหลือนิดหนึ่งน้อยหนึ่งกับไม่มีเนี่ยอ่าจยากมากสําหรับคนที่มีสภาวะที่ถึงขั้นนี้แล้วพราะเนี่เออมันยังมีนี่เราเออมันไม่มีละไม่มีละไม่มีละเพราะนี่ตรวจสอบถึงขั้นอากินจัญญายตนะ ความไม่มีหรือมีเดี๋ยวตรวจสอบมีไม่มีไอเรารู้เราอ่านความมีความไม่มีของเรานี่คือเนวสัญญาณสัญญายาตนะอ่านความมีเอ้มันมีหรือไม่มีก็อ่านอ๋อเออไม่มีแล้วสัมผัสอันนี้เหตุปัจจัยที่เคยสัมผัสแล้วมันเกิดอาการกิเลสไอแรงก็ไม่มีแล้วกิเลสหยบยาบก็มีละสัมผัสกระแทกกระทุ่งยัวยวนมอมเมอยายังไงแล้วก็เฉย <mile> แต่เฉยอุเบกขาเนี่ยแล้วมันยังมีพลิ้วพลปลายพลิ้วพิวอากินจัญญาไหมแล้วเราก็จะรู้ไหมเนวสัญญาต้องก OK ําหนดรู้เนวสัญญาสัญญาคือการกําหนดรู้กําหนดรู้อ่านเข้าเคลียอารมณ์ส reality, То, ัญญาเวทยิตตังเวทยิตตังแปลว่าเขาเคลียอารมณ์เขาเคลียอาการเขาเคลียความรู้สึกมันรู้สึกนี่มันรู้สึกสะอาดหรือยัง มันเป็นอากาศซาหรือยังมันสะอาดว่างสะอาดหรือยังมันเป็นวิญญาณแต่มันมีวิญญาณมีเชื้อเหลืออยู่เล็กน้อยเชื้อชีวิตวิตินซีเชื้อพลังงานอินรียพลังนิดหนึ่งน้อยหนึ่งอากินจันท์มันเหลือไหมถ้าเราตรวจสอบหมดแล้วอากาศซาวิญญาณ น, นั้นจอาอกินจันท์ นวสัญญานาสัญญายตนะศูนย์หมดเลยว่างอากาศสะอาดว่างวิญญาณก็ใสอคติจันท์ก็ไม่มีเลยนิดนึงน้อยนึ ง, นงไม่มีแล้วเราก็ตรวจสอบรู้หมดเลยสัญญาเวทยิตตังนิโรธังโหติสัญญากำหนดรู้สภาพนี้หมดเกลี้ยงเลยถูกต้องสะอาดหมดจด บริบูลไม่มีอะไรขาดตบกบกพร่องทุกอย่างจบผู้ใดรู้จบผู้นั้นถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธถึงขั้นนิโรธสูงสุดสมบูรณ์นี่คือขั้นอรูปฌานจนกระทั่งพลอรูปฌานสุดท้ายเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธโดยการตรวจสอบการสัมผัสกระทบเพราะงั้นการจะรู้ความจริงว่าเราเป็นนิโรธเราเป็นนิพพานต้องมีผัสั์ต้องมีการกระทบสัมผัสเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยที่เราอยู่เป็นสามัญปกติชีวิตนี่แหละสิ่งนั้สิ่งนี้สิ่งนี้ก็อ่านมาเสมออ่านตลอดเวลามีสติสัปพพัญญาสัมปชาญญะสัมปชลติอะไรตรวจสอบสัป่าเทติมีอาการของจิตทํางานตรวจสอบจนกระทั่งเรียนรู้จะอ่านรู้จนกระทั่งเป็นความบรรลุสัมปันโนความสัมปัตตการบรรลุไอเล่จ้กระทั่งสาเร็จเป็นสัมปันะ สัมปันโนเป็นผู้บรรลุธรรมจบโอ้โหวันนี้ออกมันสามาสอนตัวจบมันเนี่ยใครฟังไม่รู้เรื่องยอกมือขึ้นอยาาอย่าอายใครฟังไม่รู้เรื่องยอกมือที่อาตมาเข้าอธิบายเนี่ยฟั ง, ฟ, งฟังแล้วพูดถึงอะไรไม่นึก ไ, ไม่ออกอวอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องอใครฟังไม่รู้เรื่องยอกมือที เออมีอยู่คนสองคนสามคนตอนนั้นฟังรู้เรื่องหมดเลยเหรอโอ้โหดีจังเลยนี่เป็นปรมัศน์ขั้นสูงสุดแล้วนะในขั้นนิโรธนะเนี่ยที่อธิบายในขั้นนิโรธนะขั้นอรูปฌานอธิบายอาการสานัญจายตนาวิญญาณนัญจายตนาอากิจัญญายตนาเนวสัญญานาสาัญญายตนะแล้วก็ทะลุถึงขั้นสัญญาไปที่จิตในนิโรธนะเนี่ย ฟังรู้เรื่องเลยมีสภาวะรองรับนะถ้าเรามีสภาวะรองรับและเราจิตของเราเป็นอย่างที่อาตมาพูดเออเราไม่มีเราได้ตรวจแล้วไม่มีมันไม่มีหรอกอาการสุขอาการทุกข์อาการกิเลสอาการราคะอาการโทรสะอาการโมหะไม่ได้มีคุณเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องพูดเล่นเรื่องจริง จิตเรามีทาวรเราเป็นอรหันต์ทาวรนจิตเราไม่มีเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราไม่มีเราก็เป็นจิตที่เราไม่มีอาการนั้นอยู่เดี๋ยวนี้แต่จิตคนมันมีอนุสัยมันยังไม่ขึ้นมาเล่นงานเราเพราะเหตุปัจจัยมันยังไม่ได้มากระแทกเราดูกระทบเราดูเราก็จะต้องทุกเวลามันกระทบกระแทกกระทุ้งอะไรตากระทบหูกระทบจมูกกระทบกายสัมผัสอยู่ตลอดเวลาเราต้องมีสติสัมปชญัญญะสัมปชานะ สัมปาเทติสัมปชติสัมปชลติอะไรอ่านจะตอดเวลาแล้วก็เห็นพิจารณาด้วยปัญญาว่าทุกอย่างเนี่ยมันมามันมันก็มามันก็ไปมันก็มาก็ไปมันไม่ใช่ของจริงหรอกมันไม่เที่ยงอันนี้จังแล้วมันหลอกเราให้เรายึดมั่นถือมั่นเป็นวักเป็นวักเป็นเวรเป็นบาไปตามมันมันไม่บาตามมันแล้วมันมาก็มามันไปก็ไปช่างห่ามันอะไรที่เราควรรับอาศัยก็อาศัยไปไม่อาศัยก็พอเท่านั้นเองจบ วันชีวิตขเราก็จึงไม่ได้เดือดไม่ได้รอด้อนไม่ได้ดินไม่ได้ร้นอะไรสามันอะไรที่ควรทําก็ทําอะไรควรสร้างสร้างอะไรควรอยู่อยู่ะทุกอย่างก็เป็นไปนาอากาศเดียเดืยวก็ร่อนเดือกกรหนาวเดือกกรเย็นเดือกกรเปียกเดือกกแฉ่เดือ ก, ก, ก, ก, ก็แห้งอะไรก็ว่ากันไปธรรมดาคนคนนั้นคนนี้กัคนนี้กับนิสัยอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้ก็เรื่องของเขา ไอ้นี่มันธาตุที่บาบางเี้ไอ้นี่ธาตุที่มันดูแหมยโยยวนอย่างเงี้ไอ้นี่มันหวานอย่างเงี้ไอ้นี่มันขมองเี้มันบองอย่างงี้อะไรนี่มันว่าไปก็สารพัดมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติไอ้นี่มันดําอ้นี่มันขาวไอ้นี่มันเขียวไอ้นี่มันแดงไอ้นี่มันเป็นงอย่างเงี้เท่านั้นเองมันก็เป็นสมบัติในโลกนะเราก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงจิตของเราไม่บูบไม่หวักอะไรด้วย พุทธะโลกาธรรมีจิตตังยัตสานะกรรมปติสัมผัสทุกอย่างของโลกอยู่ในโลกนี้ทุกอย่างธรรมชาติต่างๆนาน า, น า, นาสัมผัสแล้วจิตของเราก็รู้ความจริงเอออ น, นี้และอีกอย่างหนึ่งสมมุติโลกเรียกว่าสมมุติโลกสมมุติีศักเจ้เขาเรียกว่าอันนี้สวยอันนี้คนยังยึดถือกันก็ให้เขาเอาศัย และกระจูงนำมาเช่นเราปั้นรูปสมเด็จปูวิชิตอวิชชาเนี่เรียกชื่อสมเด็จปูวิชิตอวิชชาตอนนี้ก็กำลังดำเนินการเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาเป็นเป็นสิ่งที่จูงนำมีความหมายว่าวิชิตอวิชชาก็คือท่านห้ามอาวิชชา เกิในโลกนี้คือความความไม่รู้จักศัจธรรมแต่รู้เรื่องโลกรู้เรื่องอะไรตะะไรไหลักฐานเหตุปัจจัยหลักวิชาอะไรตะอตไรเพื่อที่จะเอามาใช้จัดการกันเอามาทำบาปทำชั่วทำผสมโลภทำผสมโกรธสมหลงไอหลงนี่มันทำไปโดยไม่รู้ตัว มันก็ทําไปแล้วก็ไเปเบียดเบียนคนอื่นทาให้คนอื่นทุกข์ร้อนลำบากมันก็ไม่รู้ตัวก็เยอะเจนะเต็มไม่หมดทุกวันนี้เนี่ยมันจะเรียนจะรู้จะศึกษาจะมีชีวิตอยู่มีแต่สะสมความเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ได้เห็นแก่มีพวกนี้ใส่ใจตัวเองและตัวเองก็หาทางซับซ้อนนะ ทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้ตัวไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าเราทำร้ายนี่มันเก่งอย่างนี้คนทุกวันเนี้นอกจากจะทำร้ายผู้อื่นไม่ให้คนอื่นรู้ตัวว่าถูกทำร้ายแล้วยังให้คนอื่นหลงว่าเราช่วยอีกหลงว่าเราเป็นคนดีเป็นคนช่วยเขาที่แท้นะี่ยทำร้ายเขา ใช้เขาเป็นเครื่องมือแล้วให้เขานี่ไปทำร้ายอื่นๆต่ออีกนี่คือความชั่วช้าสามาณของมนุษย์ทุกวันนี้เพราะจะใช้คนอื่นให้เขาไปทำชั่วต่อด้วยการเอาเงินจ้างก็หยาบๆด้วยการให้ตำแหน่งหน้าที่ก็หยาบๆ ด้วยการยกยอปอปั้นสันเสริญเยินยอเอ็งเก่งเอ็งเก่งไปเอ็งเก่งเอ็งเก่งโอ้เอ็งเก่งเอ็งเก่งเอ็งเก่งไอคนขี้มักยองพวกหมักยองก็ลงไปเขาก็ยกยอปอปั้นไปหลอกดีไม่ดีก็ให้เหรียญให้ตราดีไม่ดีก็จงกยอปอปั้นให้เหรียญให้โล่ให้ใบรับรองให้ใบอะไรแต่สารพัด ยกขึ้นมาแล้วก็มาให้คนอื่นมาเอ๊ยนี่แน่นี่นคนนี้ยอดเยี่ยมคนนี้เก่งให้คนอื่นมาชโยโหยิวยกย่องเชิดชูอู้ยฟองใหญ่ตัวมโหฮานหลายวิธีการมากมายเลยที่จะหลอพัดเพื่อให้คนมาได้เป็นเครื่องมือให้แก่เราอันนี้เป็นวิธีการของคนในโลกก็ทำกันไป ใช้เงินเป็นเครื่องบังคับใช้ยศอำนาจเป็นเครื่องบังคับใช้สันเสรร์เป็นเครื่องบังคับใช้สุขทางกามาคุณจะได้สัมผัสรูปรดเป็นเสียงสัมผัสอันนี้นะเป็นรางวัลเหมือนหลอกมาให้มันไปทำมนโนมาปั๊บก็เอาให้อาหารมันให้อะไรหลอกสัตว์หลอกลิงหลอกอะไรก็แล้วแต่ต้องให้ไปไปทำก่อนหลอกปลาโลมาให้ัไปทาก่อนมาแล้วให้อาหาร หลอกสัพท์ต่างๆมือนงันใช้อามิตรป็้เครื่องหลอกไม่ว่าจะเป็นกามแม้ที่สุดอัตตาเสริมอัตตาอัตาอตานี่โง่ที่สุดเรื่องอัตตานี่มันสะสมความยึดติดเรียกว่าอัตตาเพราะงั้นไม่รู้ว่ามันยึดทําไมแล้วมันก็หลงยึดจริงๆไอการหลงยึดจริงๆแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทำไมต้องยึดต้องยึด นั icism, sta, ่นมันโง่ตัวโง่ท um ี <What? S 2> ่สุด <inaudible> ก็ว่ายึดไปทาไมตอบไม่ได้บางทีถ้าตอบได้ก็เคยยังพอช่่วองชัวตอบได้เอยึดแต่มันดียงงี้ดียังงี้เออต้องยึดรงี้เออวันดีก็ัวมีเหตุผลบางอย่างบอกยึดทำไมไม่รู้คุณเคยเศร้าไหมเป็นอาการอย่างหนึ่งที่คนโง่ยึดไว แล้วทุกวันนี้ยังเคยเศร้าอยู่หรือเปล่าดีมากไม่เศร้าอีกแล้วยังไงยังไงก็ไม่เศร้าอีกแล้วก็ไม่ยึดแต่ถ้ายังยึดอยู่ยึดทาไมอ่ะคุณยังยึดโมโหอยู่ไหม ย, ยังเคยเป็นโมโหอยู่ไหมมีไหมแล้วยึดทําไมอ่ะถ้าคุณไม่โมโหเนะ่ยคุณเย็นสบายกว่าไหมแล้วทําไมไม่เย็นสบา ย, ยทําไมไปโมโหทําไม นั่นแหละอวิชชานั่นแหละคือไม่รู้รู้ซะแล้วก็รู้เฮ้ยหยุดทำไมวะโง่ตายชักแล้วคนก็หยุดนั่นแหละจะโมโหก็คือโกรธจริงๆโมโหเป็นภาษาสมันเพี้ยนโมหะมันหลงมันไม่รู้ตัวแต่อาการโมโหที่เป็นปนี่จริงๆเนี่ยมันเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะ มันไม่ใช่มันโกรธามันโกรธโมโหที่ว่าน่ะมันคืออาการโกรธไทยอ่ะภาษาไทยคือมันโกรธมันไทยมาใช่ก็ภาษาบาลีมาทั้งนั้นแต่โกรธก็ภาษาบาลีที่จริงโมโหที่ว่าน่ะมันไม่ใช่โมโหโมหะในมาความมไม่รู้ตัวแต่โกรธานี้คืออาการนั่นแหละอาการที่โกรธนั่นแหละแล้วไทยมาเรียกว่าโมโหไม่ใช่โมโหมันโกรธาโกรโทนะ โดยไม่รู้ตัวก็เรื่อโมหะโดยสับสนเลยแต่ไม่รู้โมหะหรือโกธะกันแน่ที่แท้ก็คือโกธะอาการโมโหนะที่ภาษาไทยเดี๋ยวนี้โมหามันเป็นโกธะไปแล้วไปยุดจาโกธะเป็นโมหะนั่นน่ะเราก็ทําอยู่ไปทําทําไมจริงๆแล้วอาการโกธะอาการไม่สบายใจนี่เอาออกได้ง่ายกว่าวางได้ง่ายกว่าเลิกได้ง่ายกว่า เพราะมันทุกข์มันไม่ได้อร่อยอะไรแต่อาการราคะเนี่ยเลิกยากกว่าอาการราคะโลภะนี่เลิกยากกว่ามันยังยากได้อยู่ยังอยากได้อยู่รสปัตตังตา ก, ก็เป็นรสปัตตังหูเป็นเสียงไพเราะก็เป็นรสปัตตังจมูกหอมก็เป็นรสนี่คือราคะปัตตังลิ้นอร่อยก็เป็นรสปัสเสเศสีเย็นร้อนอ่อนแข็งนก็เป็นรส นั่นคือราคะแต่โลภเนี่ยมาเป็นของตนราคะนี่มาสัมผัสรถเพราะงั้นก็เลิกมาทั้งนั้นนะ่ะของตนก็เลิกราคะมันก็เลิกทั้งนั้นนะ่ะถ้ามันจะมาสัมผัสก็สัมผัสไปสิก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงก็สัมผัสไปก็รู้ความจริงไม่ต้องไปมีตัวฟูฟ่องมาชอบไม่ชอบ เกิดาการพวกนี้ไม่ต้องมีนั่นแหละก็รู้ความจริงตามที่มันมีสัมผัสเป็นสามันสัมผัสตามความจริงเป็นปกติจะสัมผัสทั้งรูปเสียงกลิ่นรสกระแทกกระทุ่งกระเทือนยังไงก็ตามนั้นกระแทกแรงๆเจ็บนะเว้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีประส า, าเรามีเนื้อหนังเรามีกล้ามเนื้อเรามีอะไรมันมันไม่สมดุล อาการนั้นเรียกว่าเจ็บมันไม่ปกติมันไม่สมดุลเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรู้ความจริงแล้วเราก็รู้แยกออกว่าอาการที่มันเป็นกิเลสหรือเป็นอัตสาธะเป็นสภาวะที่มันเป็นราคะก็ตามเป็นโลภะก็ตามไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีมาเออเนี่ยดูนี่นึกเข้า เ, าเงินทนบัตรเนี่ยใบยพันมาตั้ง หมื่นใบเนี่ยมาบอกให้มาเอาเอาไว้ให้อืมเอาให้ก็ให้ธรรมบัตรคืออะไรอ๋อแบงก์โนต้ตที่มันใช้ได้ตามกฎหมายก็เอาไว้ใช้ตามกฎหมายไม่ได้ดีใจเสียใจอะไรควรใช้ก็ใช้ไปยังไม่ควรใช้ก็เอาเอาไว้ก่อนมาใช่แทนอ น, นั้นแทนค่าแทนค่าอะไรของโลกเขาแลกกันไปแลกกันมา น, นี่เป็นตัว แลกเงินตัวกําหนดไว้มันบันทึกไว้ว่าพันพัค่าพันบาทเออมันมีค่าพันอันนี้มันบันทึกไว้ห้าร้อยมันมีค่าห้าร้อยก็เอาไว้ใช้ผู้ที่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ยึดติดอะไรเลยแล้วก็ทำอะไรตามหน้าที่ของมันอันนี้ถ้วยเออถ้วยเอาไว้ใช้ใส่อะไรนี่เอออันนี้ชามก็ชามใส่จานก็จานอันนี้ช้อนก็ช้อน อันนี้ขวดก็ขวดอันนี้โต๊ะก็โต๊ะใช้นาทีนั้นนาทีนี้ก็สบายสบายชีวิตก็รู้ทุกอย่างมีอาศัยเพื่อจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มายึดเป็นเราเป็นของเราถ้ามีสมควรจะใช้ก็ใช้ไม่สมควรใช้ก็วางไว้อยู่ไป ชีวิตเราถ้าเข้าใจจริงๆแล้วก็อ่านจิตเรานี่มันยึดมันติดต้องได้อย่างงี้ต้องเป็นอย่างงี้ต้องมียังงี้ไม่ได้อย่างงี้ก็ยังอยากได้อยากได้บางทีอยากได้มาได้มาเยอะๆยะๆแล้วก็กองหอเป็นโลภะเป็นของกูโลภะของกูของตัวของตนของกูของกูใครแตะไม่ไดของข้าใครอยากแตะขี้ห่วงจิตผายเลยถ้าหอไปอย่างงั้นอะไม่ได้ไปอะไรของใครหรอกบางทีก็เน่าก็เสีย บางที่ก็เสื่อมก็หายไปไม่มีประโยชน์แต่ของเราอะ่ออะมันกูมันหวงอะ่ะยิง่งทุกวันนี้มันไม่หวงเท่านั้นยัง ม, มันมีเงินเนี่ยแล้คํามันมีหลักเลขมีวิธีการของโลกเอาไปฝากไว้ตรงนั้นเอาไปสองนี้มันก็เอาไปออกดอกออกผลไปออกปันผลไปอะไรต่าอีกงอกมาให้ตัวเองมากแล้วมันมากแล้วก็ยังไปออกดอกออกผลมากก็ขึ้นมาอีกมากมันมีหยุดไม่มย้อนไอ้คนไม่มีก็ถูกดูด <c oughs> <c oughs> ไอ้คนยิ่งไม่มีก็ถูกดูดไปดูดไปไอ้คนมีก็ดูดเอาดูดเอาไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพออะไรไอแล้วต้องมองหาน้าเหรอไอกับน้ามันไปเกี่ยวอะไรกันไอ้น้ําน่ยมันคือน้ําถูกเผาแล้วก็เกิดเป็นไอไอกับน้ําน่ยมันอยู่โน่น ไม่เกี่ยวกับอาตมานี่อาตมาไม่ได้ผูกเผาไม่ได้เดือดทําไมไอาพออาะไอเราต้องหาน้ำนะ <c oughs> อาตมาก็ทวงอยู่เรื่อยว่าทำไมในน้ำมันเป็นยากแก้ไอได้ยังไงเขาบอกว่ า, า, าจิบน้ําจิบน้ำไ อ, ำ อ, อ, ไอจิบน้าเออถ้าไอเราจิบน้ําหายเนี่ยนะ เพศสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่พวกยำยาคายเนี่ยมันมันจนตายเลยก็ยาแก้ไอก็คือน้ำแต่นั้นนมันจะไปยากอะไรแล้วไอเราให้จิบน้ำล้วหายไม่ใช่ <c oughs> เอาแะาต่อเมื่อกี้นี่โอ้โหอธิบายปรมาทบันออกพรรษานี่ออกดีนะเนี่ยก็พวกเราก็ฟู่ฟังดีเนาะรู้เรื่องกันได้ก็เออดีเข้าท่าดีแล้วไปทำจริงๆ ทำไม่ได้จริงๆนะจะได้เป็นอรหันต์จะได้สบายๆอรหันต์ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องลึกลำ้ำลึกที่มันไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจแล้วมันทำง่ายกว่ายิ่งแบ่งหินอีกไม่ให้ผัดสาได้ยังไงแล้วก็เป็นมนุษย์คุณก็ต้องตัดประสาท ก็ต้องไม่รับรู้อะไรสิมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีภัสสะมันมีภัสสะเขาจะไม่มีภัสสะจะจะไม่มีภัสสะได้ไงมันก็มีมีผัสสะแต่เราก็ไม่จิตของเราไม่วูบไม่ว่าจิตต้องไม่ขึ้นไม่ลงมีติตรู้ความจริงตามความเป็นจริงนี่ก็ภาษาไม่รู้จะสื่ อ, อยังไงก็ภาษาก็สื่อให้ฟั ง, งนี่แหละก็พยายามเรียนรู้ถึ่งมีสติรู้มันสัมผัสแล้วมันจะต้องผักต้องดูด ต้องชอบต้องชังต้องโกรธต้องรักอะไรพวกนี้ยต้องอยากได้ต้องอยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรอยู่แค่นั้นนหะเรียนรู้ให้ดีว่าอะไรที่มันควรเออควรมีก็มีไปไม่มีก็แล้วไปถ้ามีก็ถ้าไม่มีจะต้องมีก็ค้นคว้ามันจําเป็นต้องมีเออตอนนี้ท้องเรามันพร่องอาหารเออก็ไปแสวงหาอาหารหาอาหารมาใส่ท้องให้มันพอไป ก็ได้อาหารได้แล้วก็เอาละแต่อาหารก็เอาอีกแหละไปติดมาจะาต้องงีนนะคนไทยก็ติดรถอย่างเงี้ยฝรั่งก็ติดรถอย่างงั้นน่ะก็ยึดกันไปฝรั่งมากินอาหาราก็บอกโอ้คิดไม่ไหวร้อนแรงเดี๋ยวนี้ก็คนไทยก็ไปหลอกฝรั่งให้ติดร้อนติดแรงขึ้นติดร้อนติดแรงขึ้น แต่ก่อนนี่นะอาตมาเองอาตมาบอกว่ า, วาโอ้โหอาหารฝรั่งเนี่ยเขาบอกต้องซดซุปก่อนนะซุปมาต้องซัดก่อนอื่นอาตมาก็เออมันคงจะอร่อยดีเว้ยนะซุปนะพอเสร็จแล้วก็ไปเคยได้ไปนี่นะเขาเสิร์ฟซุปมาแล้ก็ซัดก็โอ้ยนำางจานยั่งดีกว่าเลยเพราะพวกเราติดหยุดอาหารไทยสดไทยน้ำแกงไทยไง น้ำแกงไทยมันไม่เป็นเหมือนน้าแกงไอ้ฝรั่งเลยจปะคุณเอ้ยจืดมันลืทืดมันมันรสชาติอย่างนั้นนี่เราว่าซุปฝรั่งทุเลิกเลยสูปแกงไทยไม่ได้แกงไทยมันรสจัดกันเยอะเลยเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็ถูกหลอกมาอีกหน่อยเถอะอาหารไทยนี่จะเป็หลอกทั่วโลกเลยจริง มันปรุงเก่งจิบหายเลยไทยเนี่ยหลอกรถสารพัดรสเลยเอาอะไรมาปรุงกันโอ้โหเป็ดแบบเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานอะไรต่างๆนั่นนะ ม, มันปรุงซะจนรถเนี่เพราะงั้นต่อไปถ้าถูกมอมเมาถูกไทยเนี่ยไปหลอกล่อครอบงำไทยติดในยึดไปหมดทั่วโลกแหละอีกหน่อยค่อยดูเพราะร้านอาหารไทยเนี่ยไปไเรื่อยๆยุโรปยุโรปเดี๋ยวตีแตกหมดนะ่ะ ไทยเนี่ยยิ่งน้อยก็รุงเรืองทางอาหารไทยทหลอกเขาพวกเราอย่าไปทําอย่าไปหลอกเขาบาปเป็นกิเลสแล้วคนก็ติดก็ยึดก็ดกทุกข์ร้อนลาบากลาบนเพราะเรามาพ า, พากันมาสอนกันให้ลดให้ละให้เลิกอย่าไปสอนให้ไปติดมากเขา้าเพราะว่าคนที่ไป หลอกคนอื่นแล้วก็ได้เงินได้เงินเนี่ยมันทําอยู่เต็มไปหมดละเพราะเราเองเราลดความอยากได้เงินเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหลอกเขาพวกนี้ต่างๆนานาหลอกคนมันก็บาปแล้วโดยสัจจะบางคนในโลกนี้ไม่รู้ว่าคนตัวเองทําบาปตัวเองไปสร้างกิเลสให้คนอื่นติดติดติดติก็ไปเนี่มันบาปอย่างผู้หญิงนี่นะเป็นยู่วยูนนี่ก็เกิดอาการการมาการราคะ บาปแต่ละวันแต่ละวันแต่งยั่วแต่งยวนแต่งสวยแต่งเซ็กซี่สงนวนอย่างนี้ไปทราบไอ้คนมันมีกิเลสนะแล้วไม่รู้ตัวเราบ่าบาปจำไว้ผู้หญิงอะรู้สับบังแล้วหลงแล้วเกินว่าต้องสวยต้องงามต้องยั่วต้องยวนเซ็กซี่สังนวนอย่างงี้นั่นมันจริงนะมันบาปนะอาตมาไม่ได้พูดเล่นนะนี่นบาปจริงๆนะฟังไว้เลิกซะตะวันนี้เลย จริงกรรมที่คุณทานั่นนะมันเป็นกรรมจริงๆแล้วมันบาปจริงๆกรรมมันเป็นคืออาการของคนทาทาแล้วจะไม่รับว่าเป็นของเราเราไปย่วยคนอื่นเกิดกิเลสเนี่ยมันบาปจะยุ่ด้วยทางไหนก็แล้วแต่เรื่องสวยเรื่องงามอย่างผู้หญิงที่ว่านี่ยก็ช่างยุ่ยเขาอยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งที่มันไม่เขาท่า ถ้าย่วให้คนป่วยกินยาให้มันหายายานี่มันจาเป็นเออไอ้ยางงั้นนะมันก็ไม่เป็นไรนะย่วให้คนป่วยกินยารักษานันก็เป็นประโยชน์ซับซ้อนอันนี้ก็คือในะสาคัญที่จะต้องเข้าใจสิ่งนี้เป็นประโยชน์แก่ความเหมาะควรคุณก็พยายามที่จะให้เขามีความอยากอยากได้อันนี้มาเพื่อที่จะบำบัดเพื่อที่จะบรรเทาเพื่อที่จะเสริมให้คุณพัฒนาขึ้นหรือคุณดีขึ้นสบายขึ้น จเจริญขึ้นอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้ไม่บาปแต่ยว่วเขาเกิดกิเลสติดยึดแล้วเขากับเป็นวักเป็นเวรนทีนี้ก็ติดไปโตเป็นอนุสัยอาสวะไปอีกนานไ อ, อ้ยังงี้บาปแน่แน่แม้แต่ให้เขาอยากรวยนี่ก็บาปถ้ามันขี้เกียจขี้คร้าน ให้มันขยันด้วยบ้างแล้วก็ให้มันจะได้เงินไงจะได้มีเงินมากขึ้นมากขึ้นไงก็คือรวยอะได้เงินมากขึ้นไงขยันหน่อยสิเอออย่างนี้ไม่บาปถ้าไปแก้มันขยันเพื่อที่จะมันได้สร้างสารรค์บ้างแล้วมันก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นไออย่างนี้ไม่บาปแต่นี่มันตะกะตกะตกรามมันจะเอาอะไรอะไรดีไม่ดีทุจริตเข้าไปด้วยอะไรแต่ใดๆด้วยบาปซับบาปซ้อนเลยตอนนี้ นี่มันมีนยัยยะสำคัญซัซ้อนอยู่เนี้ยเพราะจะไปบอกว่าอาการอยากได้มันไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้อาการสองอย่างคือโกรธกับโลภเนี่ยอาการโกรธนั่นนะ่ะไม่ว่าหยาบ ก, กลางละเอียดเท่าทุลีละองเท่าไหร่ก็แล้วแต่ nothing ไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมีได้ประการทั้งปวงเลยได้โลก ขอไปโกรธโทสะอย่างยาวกลางละเอียดทุลีละอองขนาดไหนไม่ต้องมีในจิตเลยถ้ามีก็คือหมองอยากให้มีหมองเลยโดยโรคว่าขอไปดวกโกรธแต่โรบลรื อ, อสิ่งที่ดูดสิ่งที่จะต้องต้องการเนี่ยมันยังมีสิ่งที่จะต้องเอามาอาศัยเพราะฉะนั้นก็ค่อยไล่เรียงไปอะไรที่เป็นเกินอันตมาต้องบอกกิเลสคืออะไร กิเลสคือสิ่งที่เกินความจําเป็นเกิดความจําเป็นเกิดความพอดีที่พอดีเป็นกิเลส ท, ทั้งสิน้นอะไรที่มันอยู่พอดีพอดีสัมพันธ์กันพอดีอาศัยกันพอดีอันนั้นไม่ใช่กิเลสสิ่งที่มันเกินไปเกินนิดหนึ่งกับ ก, กิเลสนิดหนึ่งต้องอาศัยสิ่งที่พอดีพอดีเท่านั้นแหละเพราะความสมดุล น, นี่แหละคือสิ่งที่เป็นนิพพาน สิ่งที่เกินไปจากสมดุลทศนิยมจุดศูนย์หนึ่งก็คือกิเลสต้องสมดุลสมดุลคือศูนสมดุลคือศู น, ม น, ม น, มนไม่มีอะไรติดขัดเพราะงั้นความมีต้องอาศัยก็อาศัยความศูนย์ อาศัยความเป็นความสมบูรณ์สมดุลแล้วมีใสคลิกออเดอร์ที่ไม่มีอะไรติดขัด no resistance ไม่มีอะไรเป็นเลยคล่องตัวสมูทรบนี่คือสภาพที่อาศัยที่มีอยู่มีอยู่ก็อย่าไปให้มันเกิดขัดสีให้มันเกิดอุปายาส ให้มัมีอะไรขัดของมีมอะไรอยู่ไม่ต้องให้มันเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามสันติเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามภาษาที่อาตมาว่าภาษาของอีสานก็คือมอนมอนมันมอนอนะท่านมอนเนี่ยท่านชอบนักชื่อนี่มอนสมู o เรียบร้อยราบรื่นง่ายงามสันติสันติภาพนั่นหละสิ่งมีก็มีอย่างสันติอย่างสูงสุดอาศัยสิ่งที่มันไม่มีอะไรขัดมีอะไรคล้องแต่ทุกอย่างมันยึดมันถือมันมากมันน้อยมันไม่เท่ากันมันก็มีความขัดข้องเป็นธรรมชาติก็ช่วยกันแก้ไขบำบัดสิ่งที่มันเกิดขัดเกิดคล้องโดยเหตุปัจจัยที่มันไม่มีเจตนาอย่าง ดินน้ำไฟลมมันไม่เจตนาเราก็ปรับมันมันขัดมันข่องน้ำมันไหลไม่ไปเราก็ปล่อยให้ท้าทางให้มันไหลลมมันขัดมัน้องมันไปผิดทางเราก็ช่วยมันเพราะฉะนั้นลมในอากาศลมในพื้นที่ลมในอะไรพวกนี้เราก็จัดแจงลมในร่างกายของเราอากาศในร่างกายของเราอุณหภูมิในร่างกายของเราดินในร่างกายของเราน้ำในร่างกายของเรา ล้วก็จัดให้มันสม ooth ให้มันเรียบร้อยให้มันราบรื่นให้มันมีใสคลิกออเดอร์ที่มันมีความหมุนเวียนที่ราบรื่นเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามนั่นคือความสมดลุลนั่นคือสิ่งที่มีที่สมบูรณ์สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นเพรา ะ, ะนั้นคนเราเกิดมามีหน้าที่ทําให้เกิดความ เรียบร้อยราบรื่นง่ายงามสมดุลสันติอันเดียวนองนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนไม่เที่ยงมันเกิดขัดข้องได้ไม่เที่ยงเราไม่ได้อยากให้มันเป็นแต่มันจําเป็นดินน้าไฟลมมันเป็นธรรมดาธรรมชาติที่มันจะต้องมากไปน้อยไปแล้วก็ไม่ต้องไปืึด่านอะไรก็แก้ไขไปแก้ไขได้ก็จบแก้ไขยังไม่ได้ก็ ยอมรับสภาพไปก่อนบ้างแล้วก็ค่อยพัฒนาค่อยแก้ไข น, นี่คือสภาพทุกอย่างตั้งแต่ใกล้ตัวไปจนก็ตั้งถึงไกลตัวที่สามารถช่วยได้เพราะงั้นสิ่งที่จะช่วยในโลกนี้มีมากๆไม่ต้องคิดอ่านไปช่วยนอกโลกหรอก ไม่ต้องไปก่อสถานีอวกาศแล้วไม่ต้องไปสร้างสตาร์วออะไรอยู่โน่นนะลบกันในโลกนี้ก็จะตายอยู่แล้วเลิกกันทักทีเหอะยังจะไปสร้างสนามรบอยู่นอกโลกกันอีก ม, มันฟุ้งซ่านกันใหญ่นะโนนน่นไปสร้างสนามรบก็อยู่นอกโลกแล้วหลอกไปสิไอ้คนไม่โง่ก็เอ้ยม่นจะไม่โง่คนโง่โอ้โหดูหนังสตาร์วอโอ้โหไม่รู้กี่ชุดต้องกี่ชุดหอกันไป สารพัดที่จะคิดฟุ้งซ่านมาหลอกรบกันในโลกนี้ก็หยุดสักทีเถอะไม่จะไปหาเรื่องไปรบกันนอกโลกจะบ้าช่วยกั น, นเกื้อกูลกันสังหะมีอะไรก็ช่วยเหลือเฟื้อฟ้ายกันไปวันชีวิตของพวกเราเนี่ยได้มาศึกษาตำธรรมพระพุทธเจ้าสามารถที่จะอยู่กันอย่างรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่เป็นมวลมิตรสหาย ที่อยู่กันอย่างมีสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกือ้อกูลกันไปช่วยกันสร้างกันสันอะไรขัดข้องก็ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงเนี่ยนะอะไรขัดข้องเราก็แก้ไขปรับปรุงแล้วก็ให้มันเกิดเรียบร้อยราบรื่นสันติสมูทเนี่ยเรียบร้อยงาราบรื่นง่ายงามุนเวียนไปอะไรไม่ขัดข้องความมุนเวียนก็เดเร็วถ้ามีอะไรขัดข้องมันก็จะหนืดมันก็จะช้าลงช้าลงอีไม่ดีก็ไม่วิ่งไม่ออก แต่ถ้ามีอะไรที่ไม่ขัดไม่ขล่องมันก็จะคล่องตัวสมูทสบายยิ่งไม่มีอะไรมาต้านมาทานเลยโอ้โหเย็นหมุนเร็วก็เย็นถ้ามีอะไรต้านทานก็พุทดเดี๋ยวก็ร้อนขัดสีเพราะงั้นถ้าไม่มีอะไรขัดสีเลยโอ้โหหมุนเร็วเท่าไรมันก็ไม่ร้อนเย็นสบายนี่คือสภาพของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นจิตใจมนุษย์เหมือนกำหนด เมื่อคนเราสแสวงหาหรือว่าความรู้ที่จะพ้นทุกข์ก็รู้สิ่งที่มันลงตัวพวกนี้แล้วทําให้ได้ทําที่ตัวเราก่อนที่ใจเราเสร็จแล้วรายกาอื่นๆแล้วก็ค่อยๆช่วยไป้ายไม่ต้องใจร้อนแต่ก็จะมีขมันค้นขวายอย่าช่วยช า, าก็ทําไปสร้างสรรค์ไปทําประโยชน์ไปผู้ที่ทําได้ก่อนสบายก่อนแล้วก็มาช่วยเข้าป อาตมายังว่าอาตมานี่นะทุกวันนี้อาตมานี่มันน่ามันไส้อวดอุตูนี่มันสุดทำมามากทุกวันเนี้อาตมาพูดไปก็อวดตัวอวดตนมาทําอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ได้แล้วก็สบายงนี้ทำอย่างนี้ได้สบายงี้อวดตัวอวดตนไปเรื่อยคนก็ยึดยึดมั่นถือมั่นในหลักฐานหลักธรรมพระพุทธเจ้าบอกคนมีดีแล้วอย่าเอาดีมาอวดอาตมาว่า ไอ้คนมีดีไม่ให้อวดดีและคนมีชั่วมันอวดชั่วแล้วคุณก็ปล่อยให้แต่คนชั่วมันอวดชั่วจะบ้าเลยสังคมโลกนี้เนี่ยอไอ้คนดีอย่าอวดดีคนชั่วแล้วไม่ห้ามมันห้ามมันไม่ได้มันจะเอาตายแล้วต้องปล่อยให้มันทําชั่วอวดชั่วกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะแล้วก็จํานวนต่อการอวดชั่ว คนดีในคนดีเขาก็ไม่ได้ไอ้นั้นอะไรเมื่อห้ามาก็หยุดเพราะคนก็ว่างง่ายแต่ไอ้อชั่วมันไม่หยุดห้ามเท่าไรมันก็ยิ่งประชดง้ามื่ไรมันยิ่งแกล้งง่ายมืนย่นี้มีเอาตายโลกก็เลยเต็มไปด้วยความชั่วเดือดร้อนเพราะฉะอย่าไปห้ามคนดีนักเลยให้คนนี้อวดดีมั่งเหอะ อาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงนก็พูดไปที่จริงก็เป็นเช่นนั้นอาตมาก็ทําอย่างนั้นอยู่เขาห้ามอาตมาอาตมาไม่ฟังอะอาตมาจะอวดดีเช่นอาตมาพากันมาจนมาจนนี่ดีนะไอคนไม่เชื่อมันไม่มาหรอกแต่คนเชื่อมามาม า, มาจนมาจนกับอาตมาแล้วก็จนอยู่กันอย่างจนจนนี่แหละแต่ขยันนะจนจนขยันใจดี คนจนแจกแจ ก, แ จ, กจาเชื่อเกื้อกูลคนอื่นอย่าไปหัวไม่แหนอย่าไปขี้เหนียวอย่าไปทําร้ายใครนีน่แหละจนๆอย่างเราเนี่ยเป็นคนจนมหัสจัรย์อย่างเงี้ยเออคนเข้าใจไอ้ที่อาตมาพูดเข้าใจแล้วมาพาทําเออเห็นจริงเออมาทำอย่างนี้ดีจริงๆก็มาช่วยกันมาประกอบเป็นกองเป็นหมู่เป็นกลุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ดําเนินสายนี้นะเพราะจึงจะเป็นสายมาจน นะและประเทศไทยในเราดีนะที่เรามีประเจมแนดินเราก็เห็นดีเห็นด้วยในจุดนี้ท่านตรัสแต่ไม่เคยมีใครฟังฟังแต่ไม่เอาตามท่านก็มีคนชาวาโสมนี่าตามท่านมาจนเอาแบบคนจนแล้วก็เอามายืนยันว่าในหลวงเราพูดจริงๆนะในหลวงเราตรัสจริงๆนะเนี่ยเอาพระราจำดำรัดมาเปิดอยู่ตลอดเวลาเลยวันๆนึงเปิดไม่รู้กี่เที่ยว เอาแบบคนจนมาจนนี่แหละมันไปรวยน่ะมันจะบ้าก้าวหน้าอย่างรวยนี่มันก้าวหน้าอย่างถอยหลังถอยหลังอย่างน่ากลัวด้วยอ่ไอประเภทที่จะมาแย่งกันรวยนี่น่ะมันก้าวหน้ารวยไอคนรวยน่ะก้าวหน้าก้าวหน้ารวยรวยรวยนมันถึงได้สังคมมือนที่พิการสังคมมืนที่ได้ทุกร้อนแต่ถ้ามาจนนี่ยอารมณ์มารวยกันอย่างที่ท่านว่าสามัคคีกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันไปอย่างที่เราเป็นกันนี่แหละ เราเข้าใจเราตีบทแตกของในหลวงตรัสคําตรัสของในหลวงเรามาตีบทแตกแล้วเราก็มาทําแล้วก็มาใช้จนสําเร็จผลเพราะใครไม่เห็นจริงก็ไม่เป็นไรเขาไม่เห็นจริงก็กวางง้อไปเราเห็นจริงเราก็มาทําคนที่ยังไม่เห็นจริงก็ยังไปโลภโม้โทสันไปแย่งไปกดไปคมไประเบิดเบียนไปทําอะไรคนอื่นอยู่แทนที่จะมามากน้อยสันโดดมาสร้างสรรค์ เราสร้างสรร์เรามักน้อยเราก็กินน้อยใช้น้อยเราติดเรายึดน้อยเราก็ไม่เปลืองมากแต่เราสร้างสรร์สิ่งที่เป็นสาระเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สําคัญในสังคมเราก็สร้างขึ้นจนเลือจนเกินแล้วก็แจกจ่ายเชือดจานไปเราก็พอเพราะว่าเราเองไอ้ที่มันบา่าบาบอบไปหลงติดหลงยึดหลงเป็นหลงมีเราก็เลิ่องเลื่เมาแล้วก็ขณะนี้มันก็สมบูรณ์แล้วเต็มแล้ว พอแล้วสันโดดแล้วดีแล้วแล้วก็มีเวลามีแรงงานมีทุนรอนมีความรู้ความเข้าใจอะไรเราก็สร้างไปเพราะฉะนั้นคนยิ่งมารวมกันอย่างที่เราเป็นเนี่ยลดละเลิกอะไที่เป็นหลงติดหลงยึดหลงแบกหลงหม้มหลงมากไม่รู้จบเนี่ยจนกระทั่งมามีน้อยลงแล้วก็มาได้สร้างสรรค์ให้เผื่อแผ่เอาสร้างสิ่งจาเป็นแต่ก่อนเวลา ทุนรอนแรงงานอะไรเอาไปสร้างอะไรบ่บ่บอ่อะไรก็ใหม่รูปเฟ้อเฟ้อฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุรายทับถมโลกแล้วเทอะไปหมดตราเลิกมาแล้วเราตึองเห็นชัดเจนโอ้คนพวกนี้ยังเคยะขยะอะไรอยุ่ไม่ยอมหยุดเลยแล้วก็มนหลอกกันว่าอย่างนี้หรูหราอย่างนี้ใหญ่โตอย่างงี้ฟูฟ่าอย่างนี้สวยงามอย่างงี้ พิเศษพิเศษโธอะไรก็รอกันไปฟ้อเฟ้อกันไปเขาก็ยังรอกันไปน่ะคลิกแพร่งเงินคริกแพรงอย่างนี้มันมากมันเกินมันเสียเวลาเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนเราเห็นแล้วเราก็เออเนาะคนมันยังติดยังยึดมันยังยึดมันยังงั้นหน้าด่ายนามีหน้าเป็นอะไรอยู่ป้ายเขาก็ปล่อยเขาไม่ปล่อยเราเราก็เตือนเขาว่า เก็ไม่เคยรู้ตัวที่ไม่ดีแวงมากัดเราด้วยแล้วก็หลบเอาหลบไม่ได้ก็โดนหางเลขเมื่อกันถ้าหลบได้ก็รอดตัวนะคือเราเองเราเห็นว่าทางหลุดพ้นมันคืออะไรเราทำได้แล้ ว, ลวก็ไปเตือนเขาบอกเขาใครมันยึดมันติดมันห่วงมันแห้มันก็แวงก็เราเราก็หลบไป พอพวกนี้เนี่ยมันยึดมันติดมันจะต้องหวงเป็นของตัวของต้นใครมาแตะมาต้องใครมายึดมาติดใครมาแย่งมาชิงใครมาลมมาล้างเขาไม่ยอมแต่เราก็เห็นว่ามันควรจะเลิกมันก็ช้านแยงกันอยู่เงี้ยมันก็ทําไปถ้าที่คนไหนมีปัญญาก็เห็นเข้าใจด้วยเขาก็เลิกมาเลิกมาอาตมาว่าได้สมาชิกมาเพิ่มๆอยู่เหมือนกันนะ เห็นว่าเออมันเหน็ดมันเหนื่อยมันบ้ามันบอมันก็กระเลิกมาเลิกมาเลิกมาเลิกมาก็มาเป็นนี้พลเมืองของคนที่มามากน้อยมาสันโดดมาเลิกติดเลิกยึดเพิ่มขึ้นพวกที่มาเลิกแล้วเนี่ยมันไม่ไปเฟออีกหรอกมันเข็ดมันรู้ละรู้รถละแล้วมันก็มีสันโดดเออแค่นี้มันก็พอแล้วไปมากอีกทําไมเพราะงั้นตัวสภาว่าความมาสันโดดในจึงยิ่งใหญ่ ในหลงเอาไปใช้เป็นสับไทยว่าพอเพียงมันพอแค่นี้ก็พอเพียงแล้วมันไม่รู้กันน้อยลงน้อยแค่นี้ก็พอเออแค่นี้มันยังมากอยู่นะพอได้แค่นี้ใช้วันหนึ่งห้าหมืนมันมากไปมาใช้สี่หมืนก็พอต้องก็ต้องจัดสรรชีวิตได้เออใช้สี่หมืนพอเว้ยยังมากอยู่เรามาใช้วันละสามหมืนเถอะลดลงอีกสามหมื่นก็พอ สามหมก็ยังมากบ่หมื่นเดียวก็เหลือแหล่แล้วมา ล, ม, 5, มาลดลงมาหนึ่งห้าพันมาลดลงเหลือวันละสองรอสุดท้ายนี่ก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้ส บ, บมมทบดอปกตหหจอจอมอชอยรอไม่เชื่ออย่าลบหลสบมมสบายมากทบดธรรมดาปกติปก ต, ปกตอจอจอ จริงจริงไม่เชื่ออย่าลบหลูเพราะใครมาเห็นก่อนได้ก่อนถึงก่อนประสขก่อนสบายก่อนเบาก่อนว่างก่อนโอ้ส บ, บมธรรมดปกตอ ห, อหอ จ, อ จ, อจอมชยอลอยสยานะ คนที่ได้แล้วเนี่ยมันน่าริสิยาแต่เป็นลิษยาคนบ้าๆบอๆโอ้ยมันโง่ไม่เสร็จโง่ไ่เสร็จไปลิษยาคนเ ฟ, โ ฟ, โ ฟ, โฟ้อเฟ้ะคนต้องแบกต้องห้ามต้องหอบต้องห่วงต้องโอ้โหมีเงินหมื่นมีเงินแสนมีเงินล้านหลายล้านก็หวงก็โอ้ยต้องย่างง่นอย่างางี้แต่เดี๋ยวนี้เขามีที่มันหลอกกันต่อเออเอาไว้มันลําบากเอามาฝากสิให้ดอกด้วยนะ เออเอาไปฝากสบายดีแล้วไม่ต้องรักษามันฝากรักษามันให้ดอกเราอีกไอ้นั่นก็เอาเอาเงินก้อนที่เข้าไปฝากดันไปรบกวนไปกวนคนอื่นไปหาเรื่องไปออกหาผลปันผลเอาไปอาราวาสอื่นอีกโอ้โหลูกต่อลูกต่อไอ้าจากคนนี้ไม่อาราวาสเอาไปมัม่วไปคนนั้นอาราวาสไอ้จากคนนั้นมันไม่อาราวาสเองธนาคารมันเอาไปให้คนอื่นอาราวาสเอานายทุนมากู้ไปแล้วเอาไปอาราวาสคนข้างนอก นายทุนมากู้จากแบงก์ไปแล้วก็มาให้ดอกเบีย้ยแบงก์แล้วก็เอกเงินก้อนจากนายทุนเอาเงินก้อนไปอารวาสคนอื่นสิไปจีดไปไถ่ไปมอมเมาไปครอบงำไปอะไรใดคนต่อไปอีกนี่คืออิทัิปัจจยาตาหรือปัจจัยอาการหรือปฏิกิริยาลูกโซ่ของเหตุปัจจัยที่มันไม่รู้ว่าอะไรคือเป็นตัวเหตุแห่งทุกตัวอะไรคือตัวสร้างทุกข์มันไม่รู้อย่างนี้แหละ เพราะเราตัดวงจรในโลกโลกีที่มันนี่นนอัตมาพาพวกชาเอโศกเนี่ยเลิกธนาคารอย่าไปเป็นหนี้ธนาคารมาเป็นอันขาดเพราะเราทำได้สำเร็จเพราะฉะนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนาต้มยำกุ้งขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่ปังพวกที่อยู่ในวงจรระเนระนาดไปหมดเลยเราไม่ได้อยู่ในวงจร ซบมอทมดปกตอฮ อ, อ, จ อ, จอจอสบายเลยวันทุกวันนี้พวกเราเนี่อาตมาภาคภูมิใจตรงนี้วพวกเราอย่าไปเป็นหนี้ธนาคารใครนอกเรื่องนอกรีดไม่ใช่อโศกตัวใครตัวมันเพราะอโศกไม่ไปเป็นหนี้ธนาคารแล้วเป็นแต่เพียงว่าทุกวันนี้นี่ยจำเป็นจําเป็นอะไรจําเป็นต้องเอาเงินไปฝากธนาคารเพราะธนาคารมัน จ้างคนมาดูแลรักษาเด็กดีพวกเรานี่โอ้โหไม่ไหวดูแลรักษาไม่ไหวธนาคารนี่มันดูแลรักษาตำรวจก็ช่วยรักษามันจ้างปปพมารักษาอีกธนาคารมันก็เลยปลอดภัยนะเพราะว่าสังคมไปช่วยรักษาเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งที่เก็บเงินส่วนกลางของสังคม มันก็เลยไปช่วยดูแลรักษาของเรามันส่วนเอ ก, กชนเขาไม่มาช่วยรักษาเราก็เลยต้องเอาไปฝากจำเป็นเอาไปฝากธนาคารดันให้ดอกเบีย้เยเราอีกเรามันก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่นะแต่ไม่เอาก็แหมไม่เอามันก็ในธนาคารมันก็เอาไปออกผลไปอารวาสอีกเราก็ต้องเอามัง่งนี่ ม, ม, ม, มีมีความซับซ้อนยอกย้อนอย่างเงี้ยเราเลยจาเป็นต้องรับดอกเบีย้ยก็ต้องเอา ถ้าไม่เอามันก็เอาไปอารวาสใช่ไหมเราก็เลยไม่อยากปล่อยให้เขาเอาไปนี่มันซับซ้อนอย่างเงี้ยนะก็เลยโลกมันมันมันไม่เต็มเต็งนี่ลักษณะของโลกที่มันไม่เต็มเต็งที่อัตมาอธิบายเนี่ยถ้าโลกมันเต็มเต็งก็คือโลกมันไม่มีความโลภโลกมันไม่ไปเบียดเบียนกันต่างคนต่างมีต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใครมีมากก็เกื้อกูลคนมีน้อย เออถ้าโลกอย่างนี้มันก็ไม่ต้อเป็นมีอะไรพวกนี้ธนาคารธนาคารก็ไม่ต้องมีเงินทองก็ของก็กองทิ้งไปสิถ้าจะใช้จริงๆไม่ต้องใช้แล้วเงินทองบา์เตอร์มีของเอคุณเอาข้าวมาแลกเกลือเอาเกลือไปแลกทองเอาทองมาเนแลกผ้าแลกเสื้ออะไรแลกเอาคุณมีกลับอะไรก็มาแลกกันกินแลกกันใช้เพราะสังคมที่มันจเจริญก็คือสังคมบา์เตอร์ไม่ต้องตีราคาของ ใครมีอะไรมากเอามาแบ่งคนมีแล้วนคนนี้ขาดอันนี้คนนี้จำเป็นอันนี้ว่ากันไปเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ได้นะอันนี้สร้างยากนี่หายากตีราคาอันนี้ของดีนะของนี่อ่าของนี้คิดยากสร้างยากต้องคิดราคาแพงต้องแรกราคาสูงพูดก็เมื่อยแล้วนะแค่พูดนี่ก็ยังเมื่อยแล้วเพราะโลกอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ไม่รู้จักประเด็นและไม่รู้จักการแก้มันทุกไปไม่จบ นอกจากทุกไม่จนมันยังสร้างเรื่องมันหลอกกันมามอ ม, ามันเอาเปรียบเอาลักกันอีกมันก็ไม่จบง่ายง่เพราะใครรู้ทันใครเข้าใจแล้วมาทางนี้เลยเป็นทางโปร่งทางนี้แหละทางปลอดทางนี้แหละทางสบายมันล้างไอติดไอยึดที่มันจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นอย่างที่เขาลองนั้นได้หมดอุปทานนั้นสบายเลยไม่ต้อง ไปยึดติดในรูปนั้นไม่ต้องไปยึดติดในอารมณ์เวทนาไม่ต้องตึดติดยึดในสัญญามีการฉลาดพอสัญญากำหนดรู้อันนี้คืออันนี้อันนี้คื อ, อ น, นี้สัญญากับปัญญาเป็นตัวเดียวกันกำหนดรู้ปั๊บก็ออใช่มีปฏิภาณปัญญากำหนดรู้ก็ใช่อันนี้พออันนี้ได้เท่านี้อันนี้อยู่แล้วจบไม่กระดุกกระดิกสัญญาลงตัวเป็นปัญญาเมื่อไรก็จบเนี่ สังขารก็ไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรก็ปรุงตามควรอภิสัญญาอภิสังขารปรุงอย่างไม่โง่ปรุงอย่างไม่บาปจบมันต้องปรุงมันต้องสังขารต้องสังเคราะห์ต้องบวกลบคูณหารต้องทำอะไรอยู่บ้างเพราะอะไรอย่างมันก็ต้องเป็นไปเพราะทุกอย่างแม้แต่ร่างกายของเราเกิดมามันก็คือสังขารมันก็ปรุงแต่งันขึ้นมาเพราะมันก็สังเคราะห์กันไปโดยธานน้าไฟลมเป็นธรรมชาติ แล้วก็ช่วยธรรมชาติมันไปทำอะไรให้มันได้อยู่ได้สมเหมาะสมควรให้สมดุลแล้วเราก็อยู่ไปทุกอย่างข้างนอกนี้เราก็ช่วยกันสร้าง ส, างสมดุลเหมือนกันช่วยกันสังขารสังขารรูปนอกรูปรถเป็นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆนาะนาะนะดินน้ำไฟลมก็ช่วยสังขารไปเท่าที่เหมาะที่ควรนะอย่างเช่นเราเองเนี่ยพวกชาวโศกนไปไปยึดเอาทินที่ก็ทิ้งทิ้งละ คือบ้าราชเนี่ยราชธานีอโศกตั้งชื่อว่าราชธานีอโศกเป็นแผ่นดินที่เขาทิ้งแล้วน้ำท่วมมันไม่ได้เรื่องได้ลาวราวอะไรแล้วต้นหมากรากไม้ก็ไม่ขึ้นไม่ดีไม่อะไรเลยดินเดินเสียเราก็เลยไปได้ที่ตรงนั้นที่เขาทิ้งแล้วแล้วก็ไปบูรณะขึ้นมาสร้างสรรคงขึ้นมาจนทุกวันนี้ดินดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้น สร้างอะไรดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นไอคนที่ทิ้งแล้วมันดันอยากได้อีกมันกลับมามันจะไม่แช่งมาชิงมันหาวัตถุนที่สาธารณะแต่ก่อนฉันอยู่ทํามาหา ก, กินใช้กินใช้อยู่นะจะมายึดทําไรทํานาทํานนทํานี่อีกเป็นเรื่องอยู่ตอนเนี้อ๋อเราก็ว่าไปเพราะเราเองเราไม่ได้เป็นลุกไปลุกหรือว่าไปเบียนเบียนเข้ามา เราก็ซื้อก็หามาทั้งนั้นไอ้ที่สาธารณะอยู่ก็สาธารณะไปเราก็ไม่ได้ไปยึดเอาที่สาธารณะอะไรไอ้ที่ที่เราซื้อเราหาเราก็ใช้ของเราไปแต่เขากําลังหาเรื่องยกระทงบอกว่าไอ้ที่ตรงนี้เป็นสาธารณะหมดเอาใช่ที่ที่ตรงนี้ของโลกนี่เป็นสาธารณะหมดนั่นแหละแต่ไหนแต่ไรแผ่นดินโลกนี่มันขงสาธารณะทั้งนั้นแหะแต่ไหนแต่ไรมาก็ค่อยเริ่มมีคนมาจับมาจองกันไปตามลําดับ จับจองแล้วก็จะไม่ให้จับจองจะยึดคืนไปเป็นสาธารณรัฐอีกไอ้ที่บ้านคุณยึดมา ก, ก่อนเถอะคุณก็ยึดบ้านคุณมาเป็นที่ของสาธารณะเหมือนกันนะ่ะ แ, แต่ก่อนนี้แล้วก็ประตูคนอื่นก็มาเป็นสาธารณะอยู่ทั้งนั้นนะ่ะเรานี่มันมั น, ม, นมันเรียกว่ามันในขั้นซวยถึงขนาดวนะ่าที่ดินเราซื้อมาจากศาลน่ะศาลน่ะซื้อมาจากศาลน่ะ ศาลยังตัดสินเราเลยว่าเราแพ้ว่าที่นี่ไม่ใช่ของเราก็เราซื้อมาจากศาลน่ะและ้วศาลไปขโมยของมาขายให้เราได้ไงก็จับศาลเข้าคุกทีก็เราซื้อที่ดินนี้มาจากศาลมาขายให้เราแล้วพวกนั้นก็มาบอกวันที่นี่เป็นที่สาธารณะไม่ใช่ที่เราซื้อมาซื้อมาไม่ถูกอา้าวแล้วศาลไปเอาของไม่ถูกมาขายให้เราได้ไง นี่มันซับซ้อนเราซวยๆวยตรงในภาวะซวยมันน่าขำนะศาลเองก็ตัดสินวาที่ที่มาขายนี่เป็นที่ที่ผิดาแล้วศาลเอาที่ที่ผิดมาขายให้เราแล้วศาลไม่รับผิดชอบไม่ให้เรารับผิดชอบโอนี่ตอนนี้อยู่ดีกาศาลชั้นต้นเราแพ้ศาลดีกาเราช น, นะโอ้ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์เราชนะ นี่อยู่ศาลดีกาก็ดูซิว่าศาลีกาจะทำยังไงให้เราแพ้เองแล้วก็เออเราก็ฟ้องศาลจริงๆด้วยฟ้องศาลเอาเงินเราคืนเพราะเราซื้อมาขอมาจากศาลแล้วก็เอาคิดดอกเบีย้ยด้วยคิดค่าเสียหายอีกจริงต้องฟ้องศาลคืนคิดค่าเสียหายเสียหายไม่แอดมันเสียอะไรมันเสียความรู้สึกอะแพงนะ ค่าความรู้สึกใีเสียความรู้สึกในแพงนะคิดสักหมื่นล้านดีไหมฟ้องศาลเลยคิดค่าเสียความรู้สึกสักหมื่นล้านจริงนะมันเสียความรู้สึกอะอะไรกันนักกันหนาได้เป็นศาลเนี่ยอำนาจบาดใหญ่ใช้อํานาจบาดใหญ่ก็ของตัวเองทํามาแท้แทมันมาจากเหตุของคุณอะแล้วก็ซื้อมาจากคุณแท้ แล้วว่มาทำให้เราเนี่ยได้รับทุกทรมานบาปบกบุญอะไรเป็นอะไรมันเสียความรู้สึกคิดแพงๆความรู้สึกนี้ต้องคิดแพงเอาจริงๆถ้าดีกาแพงยังอตาตมาจะให้ฟ้องริงด้วยฟ้องเลขาเสีย่ยหาจากศาลเพราะมันมีหลักฐานมันมียืนยันม่เป็นจริง ถ้าฟ้องศาลประเทศไทยมันไม่พัฒนาก็ฟ้องศาลโลกต่อเสียความรู้สึกก็สิทที่ดินซื้อมาจากศาลแล้วม่ให้เราแพ้ก็ถ้กากับคุณขมายมาดิะขมายเอาของคนขโมยมาขายขมายนี่คือภาษาออก เอาของที่คนขโมยมาแล้วก็มาขมายอีกทีหนึง่งเอาของขมายมามาขายอีกทีนึงภาษาเทคนิคเขาเอะเเรียกขมายคนขโมยของของของขโมยคนขโมยของขโมยมามาขายอีกทีหนึงเรียกว่าขมายนี่ก็พูดความจริงนะเรื่องจริงที่มาเล่าสู่ฟังก็ว่ากันไป ตอนนีก้ก็ชะลอชะลออยู่ยังไม่ยังไม่ดีกาที่ที่ไม่ดีกาในที่ที่เอาเรื่องนี่ก็มันไปถึงขั้นสภาธนายนะที่เล่นงา น, นเราเนี่ยทงนน้นขึ้นไปขอแรงสภาธนายสภาธนายเอาด้วยแล้วก็เล่นงานเราตอนนี้สภาธนายนะเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้ากิจการ มันชะลออยู่ตอนนี้ชะสภาธนาตัตปาธนาบอกไม่ฟอ้องก็จบแต่นี่ตาปาธนาชะลอ ก, ก็ผัดไปเป็นเดือนเป็นเดือนนี่ก็พูดในออกอากาศอยู่นี่พูดตรงๆแจ้งแจงพูดความจริงสู่กันฟังว่าโลกนี้อะไรกันทําไมลังแกกันไม่ข้อเรื่องเบียดเบียนก็ไม่ข้อเรื่องจริงๆแล้วชาวโซคลำมาอยู่ที่บรรดาเนี่ยมรุรณะถิ่นที่นี้เป็นถิ่นที่ที่เขาทิ้งเขาคว้างเขาหนีกันหมดแล้ว พอเรามาบูรณะขึ้นกับมาบอกว่าที่นี้ดีที่ฉันที่หากินเป็นป่าบุงป่าทามแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็มาหาเห็ดมาหาไ อ, อ, อ, อ้มันอะไรอยู่นะแล้วก็ไม่ว่ากันถ้ามันหมดไปมันก็หมดเพราะเราก็มาอยู่แล้วเราก็ต้องบูรณะมันก็เลยต้องถอนต้องรือ้อต้องไม่มีละตน้นไม้ต้นมันต้นหมู่อะไรมันก็หมดไปจะไปว่าเราก็ไม่ได้เพราะว่าที่เหล่านี้เราก็ซื้อมาหามา แล้วเราก็ต้องบูรณขึ้นพอเราต้องอยู่ไปแ ล, แล้วเราก็ปลูกขึ้นอะไรที่จําเป็นสําคัญเร า, าก็ปลูกเราก็สร้างขึ้นจริงๆแล้วเราปลูกเราสร้างขึ้นเราก็ไม่ได้ห่วงแหนเท่าไหร่เข้ามาเขาก็มาอยู่มากินเขาก็มาแบ่งมาอะไรก็เราก็เป็นคนเอื้อเฟื้อเจรจาอยู่แต่เราก็ไม่ได้ร่ำรวยจนกระทั่งจะไปไล่แจกใครไปหมดก็ไม่ได้มาแบ่งมาแจกมากินมาอยู่มาอะไรเราก็ไม่หวากอะไรเครือใส่กันได้อยู่ เราเราสร้างวัฒนธรรมสร้างพฤติกรรมสังคมลักษณะหนึ่งให้มีพฤติกรรมสังคมที่อยู่กันอย่างอาศัยกันพึ่งพากันแลนรัฐทิของเรานี่ไปแชรลัฐทิสะสมกอบโกยจะต้องมากต้องไม้ต้องร่าต้องรวยกักตุนเมื่อลัฐทิหลุดทุนนิยมเราไม่ได้มีอย่างนั้นเพราะเราจะแจกมากก็ไม่ได้ พราะเราไมาเ่เจริสะสมกอบกวยกักตุนของเรานี่ไปนั่งเศรษฐศาสตร์ทีสะัดมีกรสพัดออกเรือไว้พอหมุนพอใช้เท่านั้นเองไม่เป็นลักษณะทุนนิยมไม่ลักษณะกักตุนส่วนตนเยอะๆๆๆไปของตนของตนแล้วยังเอาไปอารวาสไปหาประโยชน์ใส่ตนเพิ่มเขึ้นอีกอารวาสออกดอกออกผลทํจาจักกลทางด้านที่จะดูดเข้ามาแทนที่จะไป สะพัดแจกจ่ายเจือจานลักษณะของเราลักษณะของเราถ้ามีมากแล้วก็ออกไปแจกจ่ายเจือจานคนอื่นแต่ตังทุนนิยมมีมากออก็ไปเป็นบ่อดูดเพิ่มอีกไปสร้างการงานไปสร้างอะไรเป็นของตนดูดเข้าไปอีกดูดเข้าไปอีกแทนที่จะสพัให้คนอื่นไม่ไปหาปันผลหาดอกผลทบต้นเข้าไปอีกอีกอี ก, อ ก, อ ก, อกไม่รู้จบไม่ยอมให้ใครออกต่อเลย ของเรานี่มีพอสมควรก็สะพัดออกสะพัดออกเพราะอาศัยเท่านั้นเองในย่าสาคัญตรงนี้อ่ะที่ต่างกันคนละขั้วระหว่างทุนนิยมกับบุญนิยมเป็นเศรษฐศาสตร์จุดสําคัญตรงเนี้ยบุญนิยมนี่สะพัดจริงแล้วไม่สะสมกักตุนรู้จักความพอเหมาะที่จะอยู่อย่างพอสมควรแล้วก็มีหมุนให้มันไม่เกิดรันช็อต ให้มันได้มีใส่คลิกออเดอร์ที่สมบูรณ์เท่านั้นเองนอกนั้นก็เผื่อไม่นิดหน่อยไม่กักตุนถ้าแรงงานเรามีทุนรอนเรามีวิสมรรถภาพเรามีพื้นที่เรามีอะไรมีที่เราจะขยายผลเราก็มีเพิ่มขึ้นถ้ายังไม่ขยายผลไม่ได้แล้วก็สะพัดออกไปก่อนไม่เหมือนนายทุนมีแต่มากงโกงออกไปออกดอกออกผลเพิ่มอีก ด, ดูเอา ด, ดูเอา นี่คือรัฐทิศทุนนิยมกับบุญนิยมคนละขั้วรตรงนี้เองน ะ, ะเวัศศาสตร์บุญนิยมเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้ได้จะจับเคล็ดของเศรษฐศาสตร์บุญนิยมกับทุนนิยมได้อย่างสําคัญเพราะฉะนั้นบุญนิยมนี่ประมาณแล้วสะพัดออกจรงิงแต่ทุนนิยมเนี่ยทุนนิยมเนี่ยประมาณแล้วหาทางจะเพิ่มมรคผลไม่ใช่มรคนมรคมาก จะเพิ่มผลมากๆไ ม, ม่แค่นตนเรื่อยๆไม่ให้ไม่ให้หมดไม่ให้สะพัดออกไม่สละออกมีแต่จะดูดเข้านี่คือสภาพของทุนนิยมความคิดโลกไม่มีที่สิ้นที่สุดแต่ของเราเนี่ยประเภทบุญนิยมเนี่ยสะพัดออกจริงไม่ยึดเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของตัวของตนมีพอประมาณ จะไม่ให้เรามีเลยไม่ได้และจะไม่ให้เราใหญ่ก็ไม่ได้เราก็ต้องใหญ่ไปตามควรใหญ่ไปทำไมใหญ่เพิ่มไปช่วยเหลือคนอื่นได้เราจะมีอุอปกรณ์เครื่องช่วยเราจะมีแรงงานเพิ่มสมรรถนะเราเพิ่มด้วยแล้วเราก็ช่วยทำงานเพื่อที่จะสร้างสรร์ช่วยสังคมเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปช่วยสังคมเพื่อที่จะดูเดยจากสังคมหลักเกณฑ์ของพวกเราเนี่ย หนึ่งพึ่งตนให้รอดเพราะฉะนั้นเราทำงานสร้างสรรสิ่งที่เราทำเพื่ออยู่เพื่อกินมีอุปโภคบริโภคอาศัยใช้ซอยพอพอแล้วมันพอจึงเรียกว่าสันโดษแล้วสร้างได้เกินเพราะหลักของเราจะมีสี่หลักหนึ่งอย่าเป็นหนี้สองพึ่งตนให้รอดทำอยู่ทำกินให้เวอร์ cover, ให้ ได้ของเราให้คุมปรอบให้พอของเราพึงตนนี้รอดสามสร้างให้เกินสร้างให้เกินให้มีเหลือให้ม่มากมีเกินพอกินพอใช้เหลือแล้วให้มันเหลือไว้เรื่อยๆเผื่อไว้เผื่อแล้วทำไงไม่ใช่ว่าเอาออกส่วนเกินนี่ไปตีราคาไปขูดรีดเหมือนอย่างระบบทุนิยมไม่ใช่เอาไปสะพัดเผื่อคนที่ลำบากยากแค้นคนที่ควรได้คนมีควรเป็นให้เขาไป แจกจ่ายเข้าไปเมื่อมันเหลือก็แจกจ่ายนี่หลักที่สี่หนึ่งไม่เป็นหนี้สองพอช่วยตัวเองพึ่งตนรอดสามให้เหลือให้เกินสสะพัดออกนี่คือหลักสําคัญของชาวบุญนิยมชาวโศกเราทําสําเร็จแล้วต่อทุกวันนี้เราทําได้สําเร็จเราถึงไม่ไปเป็นห น, นี้เราถึงไม่ไปเบียดเบียนใครเราเอาจะมีประโยชน์แก่คนอื่นไปเรื่อยๆ คนที่มีประโยชน์เพื่อผู้อื่นนี่เฮงหรือซวยคนที่เป็นมีชีวิตเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นนี่เฮงหรือซวยคนที่มีชีวิตดูเราแต่คนอื่นนี่เป็นเฮงหรือซวยเขาบอกเขาเฮงนะเขาดูเราคนอื่นมาๆเขาว่าเขาเฮงนะเราก็เลยต้องเรียกเขาว่าพวกเฮงซวย เพราะเขาว่าตัวเขาเฮงแต่เราว่าเขาสวยเราก็เลยต้องเรียกเขาว่าพวกเฮงสวยเราไม่เอาทั้งเฮงเราไม่เอาทั้งสว่ยเราพวกไม่เฮงไม่สวย <S <S คือรวยเราก็ไม่รวยเฮงนี่เขาว่ารวยใช่ไหมสวยนี่อบอกว่าจนใช่ไหแล้วก็ไม่ทั้งเฮงทั้งจนเราไม่ทั้งรวยทั้งจนแล้วก็มีพออยู่พอกินของเราไป นี่คือคำตรัสของในหลวงเราก็มีของเราเราก็รวยพอสมควรเราก็ยายปอยอยู่พอกินของเราสามัคคีกันอรุมมรวยกันนี่เป็นคำตรัสเป็นคำพูดของพระโพธิสัตว์เป็นคำพูดของผู้มีปัญญาพูดสิ่งที่ประเสริฐแต่คนฟังความประเสริฐนี้ไม่ออกโดยเฉพาะขออภัยต้องพูดผู้บริหารไม่เข้าใจคำตรัสพระพุทธ ในหลวมและก็ตีไม่แตะเอามาทําให้มันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสของเขายังไม่เป็นเช่นนั้นเขามักน้อยสนโดดลงมาพอแล้วก็มาแจกจ่ายเจือจานสละออกไม่ได้เขายังโลภรวมๆเขาได้โอกาสได้บัลลังก์เขาก็เลยไม่ยอมแก่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพราะแม้แต่ถ้าจะตรัดว่า แบบคนจนจะตัดมะพราวเพียงจะตัดมะขาขาดทุนของเราคือกำไรของเราอย่างไรอย่างไรไม่รู้เรื่องพอเพียงรวยก็ได้อย่าไปทุจริตแล้วการอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าคนเราเนี่ยนะการเอาเปรียบนี่คือทุจริตแล้วการมีมากมีเกินนี่ก็ทุจริต <ersch> มีมากม <ral> ีเกินเกินกินเกินใช้เกินพอเนี่ยแล้วก็สะสมกอบโกยนี่ทุจริตทั้งนั้นแต่คนไม่เข้าใจก็ประพฤติทุจริตพวกนี้แล้วก็ทำทีเป็นไม่เข้าใจก็ประพฤติอยู่นอกจากทําทีไม่เข้าใจแล้วก็บอกให้คนอื่นว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทุจริตหรอกการกอบโกยสะสมกระตุนมามากๆๆเนี่ไม่ใช่ทุจริต เพราะความซับซ้อนที่อยู่ในสังคมทุนนิยมความซับซ้อนคือเขาสร้างกลไกความได้เปรียบเอาไว้ให้คนจำนวนคนก็จำนวนแก้ไม่ได้เพราะเป็ น, นกลไกของเขาเช่ น, นกลนกกนไกลของนักธุรกิจบริหารกลไกของนักธุรกิจบริหารที่เป็ น, นกลไกได้เปรียบเขาเป็นคนวางกลไกนี้แล้วเขาก็ใช้กลไกนี้อยู่ในสังคม ใครไปแก้ก็ไม่ได้เพราะกลไกของเขารัฐบาลก็ให้อํานาจเขาเป็นเจ้าของเราจะไปทนะํานรุกรานปิดผิดกฎหมายจับเข้าคุกแก้กลไกเขาไม่ได้ราะกลไกของทุนนิยมทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกลไกทางการค้ากลไกทางธุรกิจกลไกทางการเงิน กลไกทางเศรษฐกิจน า, นานาสารพัดแก้ไม่ออกแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคอสอชอขราวนี้นี่แน่จริงเลยนะหรือกลไกค่ายกลอันเลวร้ายพวกนี้ออกให้หมดตั้งแต่นี้ตอนนี้จะทำเนี่ยภาษีมรดกเอาเลยมีกลไกอันหนึ่ง จะไม่มีมากมีมาอะไรมีมากมีมาไม่พอไปออกดอกออกผลหาปั่นผลให้ใส่ตัวดูดเข้ามาอีกเลมันก็ได้เปรียบที่คนมีเงินมากนะ่ะแล้วคนจนมันจะเป็นเหลือรอดอะไระมันเก็บหมดทุกเม็ดเลยถูดูดไปหมดทุกเม็ดเลยพลังดูดมันแรงอนะ่ะพมันทำให้แก้กลไกลพวกนี้มานะหมดไม่ว่าจะภาษีที่ดินไม่ว่าจะภาษีมรดกไม่ว่าจะภาษีเงินเก็บเงินกักอะไรก็แล้วแต่ภาษีที่ ตีราคาสินคา้าตีราคาอะไรพวกนี้ก็เถอะเอาให้อนักเลยเรียนเศรษฐาสากันมาหัวผุหัวพังจบดอกเตอกันมาคนไม่รู้กี่ดอกกี่ดอกเอาสิจริงใจหน่อยสิพระอาตมาว่าคอสชอคราวนี้เนี่ยดูทาทีดีอาตมาก็กำลังเชียร์ใหญ่เลยตีคลองส่งเอาเลย ถ้าไม่แก้ไขตอนนี้ก็ไปใหญ่แล้วประเทศไทยก็คงจะยากมากตอนนี้จำนวนแล้วว่าพวกคุณปรารถนาดีคอสชอแล้วก็ทำดีๆทำจริงๆนะจัดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้แก่ผู้ที่ด้อยผู้ที่ยากจนหรือผู้ที่จะไม่มีมอำนาจทางทุนเนี่ยได้รับอา น, นิสงส์อันนี้บ้างเถอนะนะ นี่คือลักษณะการแก้ไขสังคมเป็นสังคมศาสตรที่สำคัญเพราะต้องอาศัยผู้บริหารอาศัยผู้ที่มีความกล้าหาญและก็มีปัญญาที่จะรู้ปมรู้จุดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงคืออะไร<ม>ก็จัดการเลยมีอาญาสิทธิ์มีอำนาจเพียงพอก็จัดการเสียเพื่อความเป็นอยู่สุขของสังคมส่วนรวม ไม่ใช่เรื่องการเสียหายอะไรมันเป็นเรื่องดอีเพราะงั้นสังคมทุกวันนี้นกำลังคลี่คลายดีตอนตอนนี้ก็ต้านทานกันเอาไว้พวกที่จึกษาผลประโยชน์ของต้นนายทุนเขาก็เป็นเขาก็รักษาผลประโยชน์ของเขาส่วนผู้ที่จะทำให้แก่สังคมประเทศชาติจะให้ดีก็ต้องมาปฏิบัติทำให้ตัวเองเลยทุกคน ลดกิเลสไปเถอะลดกิเลสไปแล้วจะเห็นว่าเออการไม่มีมากการมักน้อยสันโดษตามหลักกรรมหลักธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปมีมากอะไรแต่มีอยู่พออยู่พอกินดีไม่ดีคนจะเกื้อ ก, กูลเลี้ยงไว้คนที่ทํางานในสังคมเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกคนจะสนับสนุนส่งเสริมเลี้ยงดูไว้ไม่ต้องกลัวสัจจานนี้อัตมาว่าทั้งโลกยังพึ่งได้ คุณช่วยสังคมไม่จริงเธอมีสมรรถนะมีโอกาสมีเวลาที่จะช่วยสังคมได้คุณช่วยไปเต็มที่เลยไม่ต้องกลัวจะอดอยากปากแห้งไม่ต้องกลัวว่าคุณจะต้องตำบากน้ำบนทุกขร้อนถ้ายิ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้ตนเองให้เป็นคนที่มักน้อยสนโดดได้แล้วด้วยอู้เลือเฟืออาตมาในชีวิตเลือเฟือเหลือเฟือเหลือเฟือทุกวันเนี้มันมากเกินจะกินก็กคนทำไมากินก่เกินคนมาให้ใช้ก่อเกิน ขาดอยู่สำคัญก็แต่คนเท่านั้นไม่ค่อยมามาให้อัตมาขูดรีดหน่อยสิอัตมานี่นักปลอกลอกนักขูดรีดรู้ปะปลอกลอกให้หมดเนื้อหมดตัวขูดรีดให้ยุดติดอะไรอยู่กันนักกันนาะขูดให้มันร่อนให้หมดเลยไม่ให้ยึดให้ติดกันเนี่ยรู้ไว้ด้วย นี่นักขูดรีดนักปอกลอกตัวเอกเนี่ยมาขูดมารีดมาปอกมาลอกเนี่ยยึดกันจังเลยหอบจังเล ย, เยลดลงมั่งสละออกมั่งหยุดโลคหยุดโกยหยุดกอบหยุดหอบหยุดห่วงมั่งทรัพย์ของคนนี่อยู่ที่หนึ่งสมรรถนะกับความขยันจํำไว้ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครปล้นไม่ได้ความรู้ความสามารถสมรรถนะกับความขยันคุณมีแต่ความรู้ความสามารถคุณไม่ขยันในขี้เกียจมันก็ไม่มีอะไรยิ่งไม่มีความสามารถและขยันบันเลยอีกเหมือนกันโอ้ยม่เป็นท่าเลยทาอะไรก็เสียทาอะไรก็ไม่ได้เรื่องในราพังหมด ดันขยันได้อีกนีหมดเพราะสองอันนี้ต้องพึ่งกันขยันกับสมรรถนะให้มีความรู้ความสามารถและขยันนี่คือทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์อันมหาศาลเพราะพึ่งได้พึ่งได้ไม่ต้องสะสมกอบโกยวัตถุสมบัติอะไรหรอกมีสองอย่างนี้ขยันและมีสมรรถนะช่วยโลกไปทั้งโลกเลยช่วยสังคมไปทั้งทุกถิ่นทุกแดนเลย ช่วยไปทั <produ ctive noise> life life ่วทีบเลยภาษาอีสานทั่วทีบแปลเป็นไทยวาทุกทวีปทั่วทีบทั่วไปทุกทวีปทั่วทีบเป็นภาษาบัดบัดก็ทั่วทีบก็ทั่วทุกทวีปทั่วทีบช่วยไปทั่วช่วยด้วปรารถนาดีด้วยจได้ความปรารถนาที่ เกื้อกูลมเมตตาช่วยเหลือหรือว่าใครยังทําบาปอยู่าให้ลดบาปมาทำจริงจิตเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีงามลดลงลดล ง, ลดลงบาปนี่คือกิเลสกุศลนี่คือความดีงามบุญนี่คืออาวุธธรรมอาวุธบุญนี่คือธรรมอาวุธอันประหัตประหารกิเลสหรือประหัตประหารบาปบุญเนี่ยบุญไม่ใช่กุศล กุศล ค, คือความดีงามต้องมีมีมี ม, มีให้ไม่มีสันโดษไม่ต้องสันโดษให้กุศลแต่บุญเนี่ยคืออาวุธใช้ใช้ปราบกิเลสปราบบาปเมื่อปราบกิเลสปราบบาปหมดแล้วหมดทิ้งเลยบุญไปตรงมีไม่ต้องมีเครื่องมือปราบอะไรแล้วหยุดหยุดไม่ต้องใช้เครื่องมือปราบ ปราบไข่ปราบกิเลสเพะเราหมดปราบราบาปหมดแล้วก็จุดบุญคือเครื่องมือปราบกิเลสของตนเองไปปราบคนอื่นก็ไม่ได้คนอื่นมีแต่กุศลในเขาทําความดีงามกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นกุศลกับบุญนี่มันยึงต่างกันบุญคือความดีงามคนอื่นเขาทำคนอื่นก็อาศัยได้ตัวเราก็อาศัยได้กุศลเนี่ยส่วนบุญน่ะเป็นของส่วนตัวเป็นอาวุธสําหรับปราบกิเลส ปาลให้คนอื่นก็ไม่ได้บุญเพราะคนอื่นของใครของมันบุญบุญคือบารมีส่วนตัวใครสามารถใช้เครื่องมือนี้ปราบกิเลสได้คนนั้นก็มีบุญมีเครื่องมือดีก็มีบารมีสูงหมดบุญหรือแต่บารมีก็มีสิ่งที่หมดกิเลสบารมีคือสิ่งที่หมดกิเลสแล้วสะสมสิ่งที่หมดกิเลสแล้วไปเรื่อยๆเร็วกว่าบารมี บุญคือเครื่องมือปราบกิเลสพอปราบหมดปับ๊บสิ้นบุญสิ้นบาป บ, บาปหมดบุญหมดปุญญาปาปปะปริกีโนภาษา บ, บาีว่างั้นสิ้นบุญสิ้นบาปพระอระหันต์หมดบุญหมดบาปไม่ต้องทําบุญไม่ต้องทําบาปอะไรอีกสัพปะปาปัสสะการะนังไม่ทําอีกแล้วบาปและก็ไม่ต้องทําบุญทําแต่กุศลกุสละสู้ประสัมพทา ทำแต่กุศลเพราะคนเข้าใจโปบาตปาติโมกันนี้ไม่ได้เพราะเข้าใจคําว่าบาปวาบุญคําว่ากุศลอกุศลไม่ได้ทุกวันนี้ฟันเฟือเอาบุญไปเป็นเครื่องมือหากินเอาบุญไปเป็นกุศลคาบุญกันใหญ่เลยเอามานี้ได้บุญใหญ่บุญใหญ่โอหลอกเขาสะพัดเลยตัวเองยังใช้บุญไม่เป็นเลยตัวเองใช้เครื่องมือป่ากิเลสตัวเองไม่เป็นเลยแล้วมาหลอกคนอื่นว่าบุญใหญ่บุญใหญ่ บุญตัวนั้นสภาวะหมายถึงกุศลความดีงามแม้คุณเอาบุญเนี่ยนะเพื่อมือปราบเนี่ไปเป็นเครื่องหลอกเอาปืนไปเป็นขนมปังจะบ้าเลยปืนมันไม่ใช่สิ่งกินนะปืนไม่ใช่สิ่งเอามาอาศัยมาสเสวยนะปืนมันเครื่องปราบแล้วเอาปืนมาเป็นขนมปัง วันนี้เอาปืนมาเป็นขนมปังแล้วก็หลอกวันนี้ขนมปังก้อนใหญ่มันถึงบไรรลัยไงเพราะมันปืนมันคือของฆ่าคนคนก็เลยสะสมของฆ่าคนกันใหญ่เมื่อได้ของฆ่าคนก็ฆ่ากันใหญ่เลยตัวนี้ก็เลยเต็มไม่ได้ปืนเนี่ยสังคมเลยฆ่ากันเพราะมันไม่รู้ว่าอะไรคืออะไร นี่คือคําสอนอุปจาคมเพี้ยนคําว่าบุญคําเดียวกับกุศลอีกคํานึงเนี่ยมันรู้ไม่สําคัญในยะสําคัญของคําไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติไม่ได้ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะบุญเจ้าได้สมาธิเริ่มต้นปฏิบัติเริ่มต้นก็นลดกิเลสให้ได้เรียกว่าบุญชําระกิเลสไปตามลําดับเพราะฉะนั้นเมื่อชําระกิเลสได้ก็เป็นส่วนแห่งบุญปุญญภาคหรือปุญญภาคิญญาคยา ได้ส่วนแห่งบุญไปตามลาดับตามลําดับตามลาดับลดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ไส่วนแห่งบุญไปให้ผลแก่ขันรูปก็สะอาดขึ้นเวทนาสะอาดขึ้นสังขารสะอาดขึ้นหมดอุปทานไปตามลําดับรูปก็หมดอุปทานไปตามลำดับสัทนาขมลดไปเรื่อยๆสัญญาขมลดไปสังขารหมดไปวิญญาณหมดไปเรื่อยๆืยๆืส่วนแห่งบุญก็คือลดค่าลดอุปาทานกาจัดอุปทานไปเรื่อยๆ ขันห้าก็อุปธิเวป ก, กาให้เกิดผลไปเรื่อยๆได้รับผลไปเรื่อยๆได้ผลแก่ขันไปเรื่อยๆจนหมดอาสวะสิ้นอาสวะไม่ต้องมีอาสวะอีกหมดสิ้นอาสวะอีกก็หมดบุญหมดบาปเพราะนนั้ส่วนแห่งบุญนี่คือส่วนแห่งการกําจัดกิเลสได้แบ่งใครไม่ได้ แบ่งใครไม่ได้เพราะบัญญัติผิดเพราะพระขใ้ใยาพยัญชนะผิดจึงไปแบ่งบุญแบ่งบาปกันเอาบาไม่แบ่งล็อกแต่เอาบุญไปหลอกกันและแบ่งกันมันเลยเละเทอะไปหมดเลยใช่บุญไม่เป็นเพราะเอาบุญไปเพี้ยนไปเป็นขนมปังบุญเป็นปืนเอาไปเป็นขนมปัง คิดว่าอาตมารบรรยายหรือว่าใช้พยัญชนะใช้สิ่งแทนในอธิบายธรรมะเนี่ยเป็นสภาวะถูกต้องแลนะน่ดีและน่ะเข้าใจง่ายนะจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเขาเข้าใจคําว่าบุญคําเดียวนี่แผิดจึงบรรลัยหมดเลยแล้วก็ไม่บรรลุนิพพานกันเพราะไม่รู้จักคําว่าบุญจึงพิจารณาบุญไม่ได้ ทำบุญไม่เป็นพิจารณาบุญคืออะไรพิจารณาให้เป็นอาวุธพิจารณาให้เป็นไฟเป็นไฟฌานที่มันจะมีพลังงานทำให้กิเลสมันฟอ่อกิเลสมันลดได้เรียกว่าฌานฌานนี่คือไฟกองใหญ่ไฟไฟที่มันมีฤทธแรงยิ่งกว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟของฌานเนี่ย ไฟของชาเนี่ยมันเผาอะไรแต่ไรได้อย่างหมดเลยเพราะนไฟของชาในชอกระเชอสละอาภา ษ, าษาบาลีเนี่ยไฟเขาต้องเอาไปเผาศพไปเผชาปนกิจจะเผาศพแต่เผาวัตุชาปนกิจเป็นกิจที่ไปจัดการเผาทำลายวัตุดินน้าไฟลมเป็นชาปนกิจ ชานนี่แปลว่ากองไฟมันเพี้ยนไปจนกระทั้งไกลไปจนกลายไปเป็นชาญคืออะไรชาญคือการไปเพ่งยึดยึดอะไรยึดก็ะสินยึดอะไรยึดยึดก็ไปนิ่งงจิตนิ่งยนะจิตก็เลยกลายเป็นจิตแข็งจิตดื้ดืจิตจิตแข็งตัวจิตเกาะจิตติดติดเข้าไปติดเข้าไปเลยสร้างพลังงานทางจิตอินยึดยึดยดยุดเข้าไปจนลึก เขาไปในอนุสัยยึดจนกระทั่งไม่รู้จักอะรูปของจิตยึดก็ไปในก้นบึ้งของจิตในอนุสก็ยึดหนักจนพลังงานไปจมอยู่ในหลุมลึกไม่ยอมคลายล่างไม่เป็นคลายจิตปล่อยจิตไม่เป็นได้แต่ยึดจิตจนกระทั่งยึดเข้าไปข้างในจนกระทั่งตายแล้วก็ยังยึดเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง เป็นพี่ชะตายแล้วจิตนิยามตายไปแล้วร่างกายของคนมันทิ้งและทิ้งร่างกายแล้วแล้วมันยึดร่างกายคนนี้ยึดอยู่ด้วยพลังงานจิตวิญญาณพลังงานจิตยึดไว้เสร็จแล้วมันหมดพลังแล้วก็ไม่เอาแล้วดินน้ำไฟลมปล่อยนะแต่พลังงานจิตมันยึดมันไม่ยอมปล่อยเนี่ยนะคนสั่งสมโดยอภิชา ไปยึดจิตยึดจิตยึดพงานทางรูสีมันไม่ได้เรียนรู้สัจ ธ, ธรรมตามลําดับมันไม่รู้ว่าอะไรควรปล่อยอะไรควรทิ้งมันไม่รู้จักพลังงานจิต se, ๆๆๆๆมันก็เลยจะยึดยึดยึดยึดโดยโดยธรรมชาติมันทิ้งแล้วร่างกายดินน้ำไฟลมแต่พลังงานจิตมันไม่ยอมทิ้งมันก็ดิงดิงดิงลึกตายแล้วร่างกายมันตายแล้วมันก็ไม่ยอมตายหายใจไม่ได้แล้วกลไกอวัยวะต่างๆ หัวใจก็ไม่ทํางานไอ้ลมสูบฉีด ต, ต่างๆอวัยวะต่างๆมันหยุดมาแล้วมันก็ยังไม่ยอมให้หยุดตายแล้วมันก็ยังพยายามทํางานชีวะอยู่นั่นแหละพลังงานมันยองไม่ยอมหยุดเคลื่อนที่มันก็เคลื่อนชีวะอยู่นั่นแหละตั้งๆที่มันเป็นผีช้าแล้วเป็นมนุษย์พืชแล้วพลังงานเหลือผีชะนิยามเท่านั้นมันก็ยังส่งมาเลี้ยงร่างกายอยู่เลยกลายเป็นคนไม่เนา่า แล้วก็ไปเคารพนักยึดติดจอมยึดนี่คือคนไม่เนา่านอกจากไม่เน่าแล้วเล็บนี่มันก็นยังงอกต่อมาอยู่ตายแล้วเนี่ยนั้นเล็บก็ยังงอกโอ้โหกาบกันใหญ่เลยโอ้โหอาพิณิหารนี่แหละคนเข้าถึงคนยึดติดฟังให้ออกนะที่อาตมาเผยความจริงให้ฟังเพราะไปกราบเคารพ บ, บูชาศพที่ไม่เน่านะ่ะคือคนโง่ คนที่งมงายไม่รู้จักสัจธรรมแห่งพลังงานจิตพลังงานวิญญาณพลังงานกายไม่รู้จักกายองค์ประชุมของจิตที่ตัวเป็นยึดยึ ด, ย ด, ย ด, ย ด, ยดเป็นองค์ประชุมเป็นองค์รวมของพลังงานแม่พลังงานผีชาและคุณคุณเป็นคนคุณไม่ใช่พืชคนที่เขามีสัญชาตญาณสามัญเออพอเราพลังงานที่จะใช้ในร่างกายเป็นจิตนิยามใช้มาเท่านี้ ตายแล้วก็ทิ้งร่างได้แล้วแต่มันยันดันไม่ทิ้งร่างมันยัง ย, ยึดต่อไปอีกอยู่เลยเป็นพืชยังปรุงแต่งยังเลี้ยงเลี้ยงขันเหมือนกับสัตว์เฮ้ยเหมือนกับพืชมันยังเลี้ยงร่างขันก็มันอยู่ไม่รู้แล้วไม่มีความรู้สึกแล้วไม่มีเวทนาแล้วไม่มีวิญญาณแล้วไม่มีวิญญาณครองไม่มีเวทนาครองละพลังงานในระดับวิญญาณ ไม่ขึ้นมาแล้วหมดความเป็นจิตนิยามแล้วเวทนากระตกแล้วไม่มีละพลังงานไม่พอไม่พอที่จะมารับรู้ทางประสาทตาไม่พอจะมารับรู้ประสาทจมูกป ร, ระสาทลิ้นประสาทหูประสาทกายไม่รู้สึกเอาไฟจี้กันไม่รู้สึกเอามีดจิ้มกันไม่รู้สึกแล้วผมขนเล็บฟันหนังไม่รู้เรื่องแล้ว ผมขนเล็บฟันหนังนี่ไม่ใช่กายมนุษย์มีกายคำว่ากายเท่านั้นเป็นกึง่งกายเป็นกึ่งของจิตนิยามรับรู้ดีส่วนหนึ่งหนาออกมาหน่อยมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กายแล้วหนังนี่หนาออกมาหน่อยหนึ่งนี่เชื้นทิ้งได้เลยไม่มีความรู้สึกหรอก เล็บเนี่ยมันมีความรู้สึกแล้วเนะาะจะไปตัดเอเล็บที่มันกินอยู่ในเนื้อก็แล้วกันผมนี่ก็ตัดโกนได้เลยไม่มีความรู้สึกหรอกผมขนเล็บฟันหนังขนกัเหมือนกั น, ม น, ก น, นผมขนเล็บฟันหนังนี่ไม่ใช่กายหนังนี่เป็นกึ่งหนึ่งหนังผิวหนังนี่มันมันมันเนียนมันติดถ้านหนาออกมาหน่อยนึงไม่ใช่กายแล้วไม่มีความรู้สึกแล้ว ถ้ายังมีความรู้สึกอยู่นั่นคือกายเพราะฉะนั้นคำว่ากายเข้าใจกันไม่ได้ไกายต้องมีนามธรรมาร่วมด้วยถ้านามธรรมาปล่อยแล้วไม่ใช่กายแล้วเพราะฉะนั้นเล็บยาวออมานามธรรมาไม่ติดด้วยในตัดได้ไม่เจ็บแล้วนี่เล็บส่วนนั้นไม่ใช่กายแล้วผมก็เหมือนกันยาวออมาตัดได้แล้วไม่มีความรู้สึกแล้วผมส่วนนั้นไม่ใช่กายขนเหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่กาย หนังเท่านั้นกึ่งกลางหนังท่านั้นกึ่งกลางเพราะงั้นคำว่าหนังจึงมีคำว่าผิวมีคำว่าผิวมีผิวหนังผิวขนก็ไม่มีผิวผมก็ไม่มีผิวเล็บก็ไม่มีมีแต่ผิวหนังใช่ไหมมีผิวแผ่นบางแผ่นที่ต่อเนื่องอยู่บางเรียกว่าผิวถ้าหนาวมาหน่อยมันจะผิวแล้วนั่น หนังออกมาหนานาขึ้นมาน่มันหนังหนาไม่ใช่นมันจะผิวหนังผิวมันติดอยู่กับประสาทผิวนี่คือส่วนติดอยู่กับประสาทแตะกันปั๊บมันก็นถึงแล้วประสาทแต่ถ้าหนาออกมาเกินผิวมันจะผิวหนังอันนันมันหนังหนาไม่ใช่ผิวหนังมันหนานหนังไม่ใช่ผิวหนัง เนตมาอธิบายธรรมะเรื่องกาให้ฟังเดี๋ยวไปค่อยอ่านหนังสือเล่มนี้นี่กำลังตรวจรูปสุดท้ายอยู่เนี่ยค้าบุญคือบาปน้า110อยสตัหนังสือเฉยๆไม่ต้องถ่ายหรอกยังไม่ได้เป็นรูปร่างอะไรกระดาษกรูปเฉยๆ เปิดเผยเรื่อพวกนี้แม้แต่คาว่าผมคนเล็บฟันหนังนี่มันไม่ใช่กายเพราะเข้าใจคําว่ากายไม่ได้จึงสับสนเพราะฉะนั้นไปเรียนรู้กายคตาสติไม่รู้เรื่องกายคตาสติเดท๋ยวให้อ่านใจเพราะเข้าใจกายว่าเป็นร่างอย่างนอก้กาวนอไปข้างนอกโมดกายไม่ใช่เข้าไปหาข้างนอกกายในเข้ามาหาข้างใน แต่มันต้องเชื่อมกับข้างนอกมันยากตรงนี้ยากตรงที่ว่าคําว่ากายในต้องเชื่อมกับข้างนอกแต่ให้มาอ่านข้างในให้มารู้ข้างในไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับข้างนอกแต่มันต้องเชื่อมกับข้างนอกรู้ทันข้างนอกเพราะจะไกลขนาดไหนถ้าคุณสัมผัสได้คุณรู้ให้ทันข้างนอกแต่เวลาพิจารณาพิจารณาเนื่องในกายขตาสติจึงไม่ใช่ไปพิจารณาการก้าวการย่างการ เคี่ยวการกลืนกันให้พิจารณาเวทนากายในกายในพิจารณาเวทนาประพิจารณาจิตไม่ใช่ระพิจารณาเห็นรูปร่างกายคือรูปร่างไม่ใช่เห็นไหมมันเพี้ยนตรงเนี้ยเพราะงั้นเมื่อการเรียนรู้รูปกับนามนี่ผิดให้เรียนนามในรูปอ่า ไม่ใช่ไปเรียนรูปในน้ำเพราะฉะนั้นไปเรียนรูปในน้ำพอกายในกายก็ไปเห็นแล้วผีเป็นไงมีรูปร่างวะรู้อารมณ์ทำไมไปรู้อาการทำไมไปรู้รูปร่างก็เลยพิจารณาวิดเบกนิปัสสนาให้พิจารณาอาการของจิตก็ดันไ ป, ไปพิจารณาอาการของร่างเห็นผีก็เลยจะเห็นได้รูปร่างผี ไม่รู้อารมณ์ของจิตไม่รู้ความรู้สึกของจิตเพราะฉะนั้นนั่งสมาธินั่งเห็นตาทิพตาทองอะไรก็ไปเห็นแต่ไอ้เรื่องที่นอกคำสอนอพระพุทธเจ้าหมดเลยจึงตาทิพกลายเป็นตาทั่วไปหมดไม่รู้จกสัจจะข้อออกอาตมาแต่ขออภัยอาตมาพูดแรงไปว่าตาถั่วตาเธอ เพราะพิษยี้งเงี้ยมันจึงไม่ไปไหนก็เลยกลายเป็นเห็นรูปร่างก็เลยกลายไปเห็นรูปร่างอะไรไหมเห็นเทวดาลอยฟ่องไปมาเหาะไปมาเลยเทวดาต่างชาติกันมาเทวดาเยอรมันเทวดาฝรั่งเศสเหาะมาโอ้ยคุยกับเทวดาใหญ่เลยเป็นตัวเป็นตนไปหมดเลย นี่อาจารย์ใหญ่ของทางด้านที่ปัสนาทางด้านนั่งกรรมฐ า, านพระป่านะพูดเนี่ยอาจารย์ใหญ่มากเลยนะพูดเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีฌานมีเข้าฌานแล้วก็โอ้พบกับเทวดาคุยกับเทวดาเทวดามาจากเยอรมันมาจากฝรั่งเศสเทวดาที่ไหนก็นมาศีสานี่เยอเรมงเยอรมันก็นมานี่เกาหลีมาเยอะหน่อย เ ท, เทวดาเทวดาอะไรเราก็เกือกดกูนเขาอยู่เนี่ยเราควรเป็นเทวดามากกว่าเนะาะเธอพูดไปเดจจะหาว่าเราปยุทวงบุญทวงคุณไม่ดีวาะเมื่อกำหนดสภาวะรูปนามผิดจึงปฏิบัติธรรมไม่มนุษยธรรมเขาใชคคำว่ากายผิดกายขาตาสติจึงผิด จึงกำหนดรูป ก, กายต่างๆไม่ได้กายกะลิคือกิเลสองค์ประชุมที่เป็นข้า ง, งในของของจิตคือกิเลสกายกะลิกายกะิคือความเป็นโทษทางนามธรรมากายกะลิองค์ประชุมของผีขโมดองค์ประชุมของความโลภองค์ประชุมของความโกรธ ไม่รู้จากกายกะลิเพราะเป็นอาการของจิตอาการของความโลภความโกรธเป็นกายกะลิเมื่อกำหนดไม่ไม่ถูกก็ไปกำหนดกายเป็นรูปร่างผีก็หน้าตาน่าเกลียดรูปร่างหน้าเกลียดเทวดากันหน้าตา เ, เป็นราคะเ ป, เป็นเซ็กซี่ไปสิเทวดาก็เซ็กซี่เทพธิดาโอ้เซ็กซี่นางตัญหานางราคะ ก็เป็นตัวเป็นตนหมดมันรําเชิบเชิดหมดเลยนางตันหานางราคะนางอรารดีเลยมันรำเชิดเชิบเชิดเชิก็ไปดูไอ้ที่มันรําเชิบเชิ น, นมันร่วงตับกินไส้ตัวเองยังไม่รู้เลยนางราคะนางตันหานางอรารดีอะไรเนี่ยคือไม่รู้จักสภาวะอาการลิงขะนิมิตของนามธรรมาพวกนี้ เมื่อกำหนดไม่ถูกกำหนดไม่รู้ความจริงคุณก็ไม่มีวันเจอผีเจอมารคุณก็ไปเจอแต่ไอ้วัตถุแท่งก่อนตัวตนดินน้ำไฟลมรูปร่างสรีระไม่ได้เข้าหานามมาทำมันกำหนดผิดไปแล้วเรียนกันอย่างนั้นหน้าองศารอาตมาก็าไม่รู้ทําห้พูดไปเขาก็หาว่าอาตมาไม่มีครัวาจาร์ เอาอะไรมาพูดในครูอาจารย์อยู่ไหนก็อาตมาเป็นโพธิสัตว์เป็นสยังนะพิญญาเป็นคนมีเองรู้เองของต น, นเองแต่ไม่ใช่สยังภูอาตมายังไม่ใช่พระพุทธ้าอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาบอกหมดนะอาตมาโพธิสัตว์ชั้นไหนก็บอกแสดงภูมิอยู่แสดงธรรมอยู่ระดับไหนอะไรอย่างไงก็พูดอยู่แต่ไม่ยอมเปิดจิตรับไม่มีประโตโคสัปิดประตูไม่ฟังไม่เข้าใจไม่รับรู้ไม่พิจรารณาตาม ตีท well. like like ิ้งเลยอาตมาก็จะไปช่วยอะไรได้พวกคุณยังดีนะนี่ยังฟังอาตมาบ้างพอช่วยได้แต่ก็แต่แต่แค่บอกจริงๆกูก็ต้องไปช่วยตัวเองต้องไปปฏิบัติเอาเองเข้าใจแล้วก็ไปพูดปฏิบัติขนาดบอกว่าไอ้เคืองเกดกดอยู่นั่นมันเอาไว้ทําไมมันทุกข์ก็ยังไม่ยอมาออกเอง อาตมาออกช่วยได้ที่ไหนเอาตัวยึดติดความทุกข์เอาไว้ความโกรธเอาไว้เอาออกจากคุณอาตมางัดไปงัดไปแคะออกจากคุณได้โอ้อาตมาต้องอามาวันนี้มาวันนี้เอาแค่พันคนหนึ่งช่วยงัดงัดออกอ้าวเสร็จไปออกแล้วหมดความโกรธมางัดอีกออกอีกงัดอีกมันทำให้ได้ที่ไหนก็ไปทำเองงันะ่นแะ รู้แล้วก็ต้องไปหัดและประเด็นที่มันจะต้องมันยากประเด็นที่ว่าเนี่ยมันก็คือไตรลักษณ์คุณต้องเห็นว่ามันไม่จริงหรอมันไม่เที่ยงไม่แท้อะไรหรอกอันจังมันมาแวบๆแล้วมันก็ไปมันมาหลอกเราชั่วแวบแล้วทุนเองเงดึงให้มันอยู่นานเท่านั้นเองที่จริงมันไม่ได้อยู่นานเลยอะไรไม่อยู่นานรสสุขไม่อยู่นานอะไรอยู่นานอนุสัยอาสวะ อุ้ยเก็บมันจังเลยนะมอัดมันจังเลยอนุสัยอาสาบ้ือเอ็งอย่าไปจะฆ่านะอัดไว้เลยแต่สุขใ น, นคุณจะเอาไว้มันก็ไม่อยู่โอ้อยังให้มันอยู่ไว้รักษาความรู้สึกดีๆไว้รักษาให้ตายไปเดี๋ยวมัไปอันนี้จังมันไม่เทียมันไม่อยู่กับเราหรอกคุณพยายามดึงมันเท่านั้นความสุขในมีเวลาจํากัด แต่ความทุกข์นี่ดันทุรังดึงเอาไว้อยู่ไม่ยอมปล่อยเทียนแห่งทุกข์นะี่ดึงจังเลยเป็นอนุสใสเป็นอาสวะมันเป็นนา ม, มาทำแล้วคุณทําอย่างนั้นจริงๆถ้าคุณเชื่อแต่มาคุณเทกะบาอนุใสเทียงให้หมดเดี๋ยวนี้สิคุณเป็นพระหันเลยอ้าวเอาคุณทําได้คุณเป็นพระหันเดี๋ยวนี้จริงๆคุณจะเอาไว้กับอะไรนะนนก น, นาเราใช่ไหม เข้าใจไหมสุขน่ะมันเป็นเรื่องจรไปจอนมาสุกน่ะมันอาริกะมันมันเท็จไม่เที่ยงหรอกมันไม่จริงแล้วมันพาทุกสุขนั่นแหละพาทุกถ้าคุณหมดสุกคุณก็หมดทุกเพราะไอ้สุกมันตัวเท็จอาริกะสุขาอิกะแล้วถ้าเผื่อว่าเรียนรู้จริงๆแล้วเราจะรู้ตั้งแต่หยาบเออเราไปยึดสุขกับหยาบแล้วก็ลดเห็นลดเห็นมันได้เออสุกมันก็หายไปทุกหายไป ใครได้บ้างแล้วคนน้งก็จะรู้ของตนเออแต่ก่อนเรายึดติดนะอันนี้หยาบๆยาแรงๆเงี้ยโอ้เดี๋ยวนี้มาเรียนรู้ปฏิบัติเออจึงด้วยมันเบามันสบายมันไม่เป็นภาระเลยปลงภาระไม่ทุกมดภาระไม่ต้องเป็นบริการมันอีกจบเลิอกอู้สบมอทโมโดปกตหอๆจอๆเสร็จแล้วคุณก็ ทำต่ออันนี้ได้ต่อเพราะนั่งในใหญ่บาปต่างทุบท่างตาหูจมูกดิ้นกายตั้งแต่ของหยาบเราก็ลดมาได้ลดมาได้ล ด, ไ ด, ลดได้จนข้างนอกนี่ตาหูจมูกดิ้นกายกระทบอย่างไรอย่างไรอะไรก็ไม่มีแล้วสุขทุกข์ไม่สุขทุกข์กเป็นพระอนาคามีเพื่อแต่ข้างในอย่างระลึกระลีอยู่ไอ้นี่ก็ยังแม่คนอื่นไม่รู้กับเรานะแต่เราก็สุข ก, กับทุกข์ของเราอยู่คนเดียวบบาๆคนเดียวแต่ข้างนอกนี่ไม่แสดงละอาย จะแสดงความสุขความทุกข์ข้างนอกไม่อายแต่ข้างในมันก็ยังมีอยู่น่าเรียกบารูปา ร, ราค า, ารูปา ร, ราคะของตนแต่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ลืมนะอนาคามีไม่ใช่ว่านั่งหลับตาแล้วก็ไปดับกิเลสไม่เขาเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยให้เป็นนั่งสะกดจิตแล้วหลับตาแล้วไปแก้กิเลสอะไรนี่ไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ไหนไม่เคยสอนสักองค์แต่คนก็นอกรีดได้เสมอทุกวันนี้ก็นอกรีดอยู่ อาตมาทุกวันนี้เนี่ยอาตมาถือว่าอาตมาอายุเลย80สิแล้วอาตมามีสิทธิ์จะพูดยังไงก็ได้เพราะอายุเลยพระพุทธเจ้าแล้วอะพระเจ้า80ท่านกับพระรินิพพานไปแล้วเนี่ยอาตมาเลยแล้วก็80เลยมาแล้วก็ยังไม่ยอมยังอยู่เพราะงั้นอาตมาถือว่าตอนนี้อาตมาแก่กับพระพุทธเจ้าแล้วแก่แดด แกแดดแกก็พ่อเจ้าก็ขอพูดนะพูดไปนะก็มีความรู้นะมีความรู้ที่จะมาพูดความจริงนี่แหละก็พูดไปตำแบบนี้สมัยใหม่นี่ก็อย่างเงี้ยมึงก็พวกชนยิ้มมึงก็พวกมกจกก็เล่นอย่างเงี้ยตลกไปมั่งพูดมึงก็นสนุกสนานตลกมัง่งแต่แท้จริงเรื่องจริงอัตมาไม่ได้พูดตลกหรอกเรื่องจริง แต่มันเหมือนกับตลกเท่านั้นเองแต่ความจริงอผู้สัจไม่ได้เป็นนักตลกตลกก็เลยแต่พูดที่มันสนุกขึ้นบ้างมันงั้นมันยากมันงั้นมันเครียดมันเข้งมันลำบากให้มันคลายๆหน่อยแล้ฟังโปร่งๆหน่อยผู้ที่เข้าใจธรรมะอย่างที่อาตมาพูดมาแล้วโดยในต่างๆภาษาต่างๆสื่อเพื่อจะให้เข้าใจเพื่อจะให้เลิกยึดถืออ่า เพื่อจะให้รู้ว่าโอ้อย่างงี้เลยเพราะถ้าพลังความรู้หรือพลังปัญญาความฉลาดทั้งเชิงโลกุตระเนี่ยมันมีพลังพลังงานพอเป็นพลังชารมันสลายเลยสลายราคะโทสะพพกนี้สลายอกไปเลยสลายออกไปแล้วก็สว่างสะอาดโมหะไม่มีมืดไม่มีมัวไม่มีหลงไม่มีเลอะละ แ, ลแจ้งชัดคมแม่นสะอาดรู้หมดเลย พระพุทธเจ้าที่ไม่มีทางอื่นนอกจากจะให้แก้ตามลําดับทําไปตั้งแต่หยาบไปลดไปจนกระทังเป็นอนาคา ม, มีเรือนี่ก็มันมีโครงสร้างที่เราได้ละมาแล้วตั้งแต่หยาบมาเป็นอนาคา ม, มีก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาปล่อยให้ท่านล้างเองเพราะาท่านรู้แล้วโครงสร้างมันอย่างเดิมแหละกิเลสมันก็คือการติดยุดเพราะเห็นว่ามันหนึ่งไม่เที่ยงสองมันเป็นภาระเป็นทุกข์ มันต้องเป็นธาตุต้องเป็นเวรเป็นภยัยต้องไปยึดไปติดไปเกาะต้องมีต้องเป็นอยู่มันไม่ต้องมีต้องเป็นสิ่งไหนมันผ่านมาในีนพอเหมาะพอสมที่มันจะสามารถสังเคราะห์สังขารกันได้เพราะจะอาศัยกันไปก็ได้เท่านั้นเองก็อยู่เท่านั้นแหละอาศัยสังขารอย่างไม่ติดสังขารรู้ในสังขารว่าอะไรพอเหมาะแล้วก็อยู่กันอย่างพอเหมาะพอดีตัวเราเองได้อย่างพอเหมาะพอดีแล้วเราก็ช่วยคนอื่นมาตามลําดับ อาาคามีสามารถล้างรูปราคารูปราคาแม้ได้สุดดีจิตดีแล้วเรียกว่ามานะก็อย่าไปยึดดีมาะนะน่ยยึดดีเอาดีไปฟาดไปฟันผู้อื่นหรือถือดีไว้สำหรับทวงบุญทวงคุณอะไรก็อย่าไม่ต้องเมื่อไม่มีมานะแล้วเหลือเศษทุลีละอองอุทจากก็ล้างมันตรวจสอบไปล้างไปล้างไปด้วย องชาญอรูปชาญนั่นแหละล้างเศษธุลีที่เหลือหมดอโซกวิรชาไม่มีธุลีหมองไม่มีธุลีเริงไม่เหลือแม้แต่ธุลีที่ด้านสายโทสะก็เรียกว่ามองด้านสายโลภะหรือราคะก็เรียกว่าเริงอโซกวิรชาเค็มบังหมดธุลีหมองหมดธุลีเริงกเกษมสะอาด หมดจดสบายเบาโลงก็อยู่กับโลกเขาโดยมีลักษณะมีลักษณะรูปสี่ก็โลกนี้จะอยู่กับเขาก็สิ่งมีสิ่งเกิดมีสิ่งชรามีอุปจิญญะมีชรตาแล้วก็อยู่กันอย่างนี้แหละมีคอนติเนียมีตัวคอนติเนียมหรือว่ามีตัวคอนเนคเชื่อมต่ออยู่กับแค่เนี้ยแค่สัมพันธ์ดีเลทีบลีเลชั่นอะไรอยู่แค่เนี้ย อยู่แค่มันเกี่ยวข้องกับโลกก็จะประมาณตามเข้าไปก็จะมีความรู้สัพปริสธรรมเจ็ดอยู่กับโลกประมาณกันอย่างได้สัดส่วนเ พ, อ, พอดีไปอันนี้อนุโลมปฏิโลมกันเข้าไปชีวิตก็อยู่เท่านี้ไม่ต้องมีตัวมีตนไม่ต้องมีของตัวของตนอะไรแล้ ว, ค, วคุณจะมั่นใจว่าชีวิตนี้เรามีแต่คุณงามความดีไม่ต้องสะสมทองสะสมเพชรสะสม อะไรจะอะไรเลิกต่างๆนานาเป็นข้าวของวัตถุอะไรต่างๆไม่ต้องสะสมเลยคุณมีแต่คุณงามความดีแล้วก็ทำแต่คุณงามความดีพึ่งได้พึ่งได้พึ่งได้ยิ่งกว่าทองคาพึ่งได้ยิ่งกว่าแผ่นดินพึ่งได้ยิ่งกว่าเพชรนิมจินดาพวกนั้นนะูญหายตกน้าไหลตกไฟไหม้นะแต่คุณงามความดีนี่ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พึ่งได้นีรันดอน ดีกว่าวเราพึ่งได้เพราะว่าเรามีคุณงามความดีคุณงามความดีคือการมีสารณียะมีปิยกรณะมีขรุกรณะมีสังหะอวิวาทะสามกิริยะเอกีภาวะนี่คือเนื้อแท้ของจิตคุณงามความดีเป็นคนไม่ใช่เป็นคนใจดําไม่ละลึกถึงใครแยาจิตออกนอกตัวส้อนกันอย่างนี้ โดยเข้าใจผิดว่าวิธีฝึกฝึกอย่าเอาจิตออกนอกตัวเอาก็เอาละก็เห็นใจเพราะว่าจิตเอาออกนอกตัวแล้วมันดึงไม่ไหวมันดึงไม่อยู่มันฟุงนน้งซ่านไปจนกระทั่งดึงไม่อยู่ก็เลยต้องสะกดสะกดสะกดสะกดอยา้ออกไปนอกตัวโดวยใช้พลังสะกดอ่าก็เข้าใจจะเห็นใจคนที่มันมากมันแรงจนเกินจนต้องใช้พลังดึงสะกดอย่างนั้นก็เชิญแต่สะกดได้แล้วรู้จักปฏิบัติวิปัสสนา สัมผัสนี้แล้วเพิจารณาไปอาการทางจิตมันไปติดอารมณ์มันไปติดจิตที่มันเป็นราคะโทสะอะไรรู้สราระคะสะโทสะสะโมหะแล้วก็ทําให้มันไม่มีให้มันเป็นวีตะวีตระราคะวีตะโทสะวีตะโมหะลงมาได้เรื่อยๆนะเป็นปฏิบัติแล้วมันก็จะเป็นสังกิตตังจิตตังวิจิตตังจิตตังสายเจโตก็จะเป็นสังกิตตังจิตตัง สายปัญญาก็จะเป็นวิกิตตังจิตตังคือสายหนึ่งมันจะเป็นก้อนเป็นเนื้มันแข็งมันพวกคอนเสเวติพวกสายเจโตหรือจะเป็นอย่างเง้ยสายสต้าส่วนสายปัญญาสายฟุง้งสายอะไรเงี้ยเป็นวิวิคคำไม่ใช่วิเป็นวิกิตตังจิตตังเป็นจิตฟุง้งซ่านอันนี้เป็นจิตทีนังทีนังหรือสังคิตตังอันนี้เป็นจิตอุทธจักรอุทธจังหรือวิกิตตังจิตตัง ส า, ายฟุง้งกับสายดูดดึงคขี้ไม่เคอยออกสองในก็มีสองลักษณะนี่แหละใยใยตระกูลสองตระกูลนี่เป็นจิตแบบนี้ทั้งนั้นเพราะเราก็ต้องเปลี่ยนไอ้เอาไม่ออกก็กระจายมันออกไอ้ฟุ้งซ่านก็เอาเข้ามารวมตัวมั่งสองอย่างแค่นี่ยลีลามันช่วยกันคนฟุ้งซ่านก็มาช่วยคนที่เป็นทีนังมีทางคนที่นังมีทางก็ไปช่วยคนฟุง้งซ่านพึ่งกัน แก้แก้กันช่วยกันปรับกันเมื่อทำได้แล้วอยู่ในสัดส่วนที่อาศัยพอดีจัดสัดส่วนไม่ให้มันฟุ้งไปไม่ให้มันค้นเข้มไปให้มันอยู่ได้พอดีพอเหมาะมันก็จะได้สมดุลได้พลังงานที่ดีที่สุดแล้วก็ทำงานไปอาศัยส่วนนี้ไปชีวิตก็มีเท่านี้เนี่ยตมาอธิบายถึงนิตพานหมดแล้วนะ รู้ตัวหเ่านี่อธิบายถึงนิพพานหมดแล้วนี่อธิบายเข้าพรรษาอธิบายจนถึงนิพพานหมดแล้วเออออกพรรษาคอาไปสับสนเลยอาตมาเนี่ยเออออกพรรษาอธิบายจนหมดแล้วตอนนี้อาตมาก็พยายามขยายคำว่าบุญกับกายสองคำเนี้ยให้ชัด แล้วจะได้ปฏิบัติธรรมถูกคำสอนพระเจ้าเรื่องกายต่างๆกายละหูตากายมุตุตากายปัสสัทธิกายแล้วแต่กายแม้แต่กายยาโุปัสนากายวิญญาณอะไรไม่รู้เรื่องหมดเลยอิ่งกำมบุญน เ, เละเทะเลยเอาไปเป็นของค้าของขายเอาไปเป็นของหลอกทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นอาวุธอย่าเป็นเล่นของขครของมันอาวุธใายอาวุธมันใช้ของตนเอง อย่าเป็นเลิศเทอของใครของใครแล้อย่าไปแบ่งไปแจกอะไรกันแล้วก็ของคนนี้ของคนนี้ใช้สิแล้วก็ใช้ประหารกิเลสตนเองอาวุธไม่ใช่ของเป็นเล่นเอาไปแจกคนนั้นแจกคนนี้แบ่งคนนั้แ น, น, นแบ่งคนนี้ไม่ได้ถ้าคืนเอาไปคนอื่นเอาไปใช้ใช้ไม่เป็นหรอกไปบรรลัยอจักรของตนเองอีกบุญเนี่ยบุญเป็นของเฉพาะตัวเป็นอาวุธในการปราบกิเลสเฉพาะตัว บุญคืออาวุธประหารกิเลสเนี่ยเป็นการประหารอย่างปัญญาด้วยบุญเนี่ยจริงๆบุญญามันก็มาจากรากษ์ปัญญาบุญญาก็อย่าพูดเลยบาลีอาตมามันยิ่งยากที่จะพูดกันก็สมัยใหม่เขาอาตมามันรู้บาลีสมัยเก่ามาก เพราะสบารีสมัยนี้มาสมัยใหม่มากมันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องเหมือนกับคนระดับอาตมานในพูดกับไวไัยรุ่นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเดีนี้คนภาษานะคนละความหมายคนละความรู้สื่อกันคนละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกายในเยอะเพราะว่าจะต้องมาเรียนรู้องค์ประชุมไปตามลําดับถ้าเรียนรู้องค์ประชุมไปตามลําดับไม่ได้สัดได้ส่วนที่ถูกต้องพอเหมาะพอดีผิดหมด ปฏิบัติธรรมสุดท้ายคุณต้องมีกายต้องมีองค์ประชุมของรูปนามองค์ประชุมของรูปนามอาศัยแต่ไม่ได้จิตติดว่ารูปเป็นเรานามเป็นเราไม่ได้ติดยึดหมดแต่อาศัยและจัดสัดส่วนของรูปนามอย่างพอเหมาะจัดสัดส่วนของรูปนามอย่างพอเหมาะในขณะทุกขณะที่มันจะมีการสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกลมให้ใจเข้าออกเรามีผัสสะเรามีความตื่นรู้นอกจากเวลานอนหลับนอนหลับก็พยายามทลายกิเลสได้ไอ้ฟุ้งซ่านหรืออะไรมันก็ไม่มีในจิตนะพระอรหันต์นี่นะจะเล่าอดาีตตยให้ฟังนิดหนึ่งพระอรหันต์ที่สายเจโตนี่ยเขาเรียนรู้ประเภทให้จิตสงบเขาก็เลยนั่งสมาธินั่งสังกัจิตสงบ ก็เลยไม่มีจิตฟุง้งพอไปอยู่ในภพนั่งนอนหลับก็ตามอยู่ในภพก็ตามจิตสงบไม่ค่อยฟุง้งไม่มีฟุง้งดึงขึ้นมายังยากเลยพวกนี้เนืดจมไปในทีนมิทะห ล, หลับดับตี้ไม่มีความรู้สึกอะไรเขาชํานาญในทางนั้นถนัดในทางนั้นส่วนสายปัญญาในฟุ้งซ่านใจมันหยุดมันยังไม่หยุดเลย หยุดไม่อยู่ขีดปรุงไว้ยิง่งปรุงเยอะปรุงแก่งปรุงเร็วปรุงมากปรุงเดงไม่อยู่สายปัญญามันก็สองทางเพราะฉะนั้นสายปัญญาเนี่ยนอนลฝันฟุ้งเลยนะสายเจตโต น, นอนแล้วดับปีเลยไม่รู้เรื่องเลยไฟไหม้ไฟไห ม, ไไม้นอนเฉย จับเขย่ายังนอนเฉยเลยน้ำศาสตร์ก็ยังนอนเฉยอยู่เลยพวกนี้พวกสายใจโตสายปัญญาน่ย น, นอนอะไรนิดอะไรหน่อยก็สะดุ้งนอนนิดแล้ว ก, ก็ตื่นแล้วนอนไม่ค่อยหลับประสาทกินพวกนี้สายปัญญาฟุ้งมันก็มีสองลักษณะน่ะ เพราะจะต้องเรียนรู้ของตนเองว่าตนเองมันสายไหนสายปัญญาหรือสายสายเจโตแล้วก็แก่เพราะสายปัญญาไปนั่งสมาธิ ด, ดีนั่งสกดสายเจโตมันยิ่งชอบนั่งสมาธิเลิกมันเรียนรู้สภาวะสัมผัสแต่ต้องมันกลับกันไงปัญญาก็ต้องมาหยุด เจโตก็ออกมาฟุง้งแล้วต้องกลับกันอตนนี้แม่ไม่ชอบเอก็ยิงไปใหญ่สิเจโตก็ยิงไปหานั่งหลับตาไปอีกเลยเข้าป่าเข้าทรรไปเลยยิงโง่ก็ยิงจมเงินใหญ่เลยพระพุทธเจ้าทึงตรัสไว้สองอย่างว่ามันมีแต่จมกับลอยสองอย่างพระพุทธเจ้าตัด คนเรามีแต่จมกับลอยก็นี่แหละไม่ได้ฟุ้งซ่านกับไอ้จมทีนามิตา ก, กับอุตจักรโกกุจการีสองสายนี่แหละมันก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนในสภาวะธรรมตรงนี้แล้วเราแก้ไขให้มันได้สมดุลเราจะใช้ทั้งใจปัญญาทั้งเจตตเพราะงั้นคนที่สายเจโตนอนหลับดับปีไม่ฝันแต่สายปัญญาในฝันเป็นพระอรหันต์และยังฝันเลยสายปัญญานี่ แต่ท่านไม่ได้ฟันด้วยกิเลสมันเป็นคารตกค้างด้วยสัญญา <c oughs> พระอรหันต์ <c oughs> พาะก็เถียงกันสายเจโตก็บอกเป็นอรหันต์แล้วไม่ฝันคุณไม่ใช่อรหันต์คุณก็ไม่ฝันพวกเจโตอะพวกฤษีอะมันมนอนไม่ฝันทั้ง น, นั้นะเพราะมันสะกดจิตไว้มันก็ไม่ฝันแล้วก็บอกว่าการไม่ฝันนี่แหละคือการไม่ฟุ้งก็ถูก ไอการฟุ้งนี่ถ้าฟุ้งมาแล้วมีกิเลสผสมส่วนอยู่มันก็เป็นกิเลสถ้ามันฟุ้งมามันไม่ได้มีกิเลสมันปรุงอย่างสายปัญญาเนี่ยนะปรุงปรุงปรุ ง, ร ง, รงเวลาจบอย่างพระพุทธเจ้าองค์สมณโคโดมี่สายปัญญาท่านยังเปรยกับพระอนอนท์เลยว่า อ, อนนท์ไอเรื่องที่จะระ ง, งับได้ยากนี่คือพระอนอนท์ก็สายปัญญา พระกสปะในสาเจโตรากฐานเจโตแท้ๆเลยพระโมคคะลานาคเจโตพระอนุนพระซาดิบุตรใฝ่ายแท้ปัญญาอไอสิ่งที่มันยากก็คือสัญญาการความจําเพราะฉะนั้นความจํามันฟุง้งเวลานอนหลับมันฟุ้งก็เป็นสัญญาขึ้นมาทํางานฟุง้งแต่เป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านฟุ้งไม่ได้ไปบําเบลกิเลสไม่ได้ไปปรุงเรื่องกิเลสจึงเรียกว่าฝันจึงเรียกว่านอน ฝันไม่ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายนะมันมีมีนิมิตมีเรื่องมีรารมีรูปมีล่างมีอะไรต่อเลยพระอรหันฝันไหมสายเจโตไม่ฝันแต่สายปัญญาฝันมีนิมิตมีเครื่องหมายสายเจโตนั้นไม่ฝันก็เท่านั้นเองเพราะสายเจโตอย่างเทระวานีสายเจโตเป็นหลักพระกัศปะจอมเจโตนี่เป็นหลัก พระกสปะนิพระแต่เป็นดกทิเรนีเป็นของสบับพระกสปะเจโตแท้ๆเลยเทรวาสของไทยเนี่เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าโอ้ยพระอรหันต์นอนฝันอยู่ยังไม่ใช่พระอรหรันต์เห็นไหมก็ไปว่าพระอรหันต์ฝันไม่ได้พระอรหันต์ถ้าไม่ได้ฝันฝันกับ น, นิมิตต่างกันฝันคือการปรุงแต่งขกิเลสถ้านนิมิตนี่คือภาพที่มันยังเหลืออยู่หรือภาพที่จะปรุงขึ้น ปรุงขึ้นได้นะปรุงภาพนิมิตขึ้นได้อย่างพระโมกขลานี่เป็นสายเจโตไม่ค่อยปรุงภาพจนกระทั่งไปศึกษาฝึกฝนต้องปรุงภาพปรุงก้าจนกระทั่งจิตติดภาพเสร็จแล้วแม้กระทั่งสุดท้ายเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังติดภาพอยู่เลย ยังมีมโนมยจอัตตาจยู่จนกรทั้งเอาใช้นิมิตแทนหมดเป็นนิมิตแทนใช้ผีก็เป็นนิมิตเป็นรูปสัตว์เ ด, ดชานมั่งเป็นรูปผีเปรตผีขโมดอะไรบ้างแทนไปท่านก็ต้องเห็นภาพนั้นอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เข้าใจอัตมาก็เข้าใจ ที่ผู้นี้ก็เข้าใจพระโมคคลลาตั้งเห็นพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งดีในพระตะปิฎกเมียพระโมคคลาเห็นงูใหญ่นีมิตเป็นงูงูใหญ่มีไฟประทุกออกหลังงูงูใหญ่มีไฟพุ่งออกจากหลังอย่ักของใหญ่เลยไฟพุ่งโอ้โหนี่สัตว์ น, นิริชานมาพระพุทธเจ้า พระมคคลาทักทีนี้พวกภิกษุอื่นที่มันไม่มีตาเห็นแบบนี้ไม่มีนิมิตแบบนี้บอกก็บอกพระพุทธเจ้าบอกว่าจริงนะพระเจ้าค่ะพระโมคคลาเห็นงูใหญ่สัตว์เซตเดรชานมางูใหญ่เลื่อยมานะจริงนะพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกอือใช่มคลาเห็นเราก็เห็นเช่นนั้นือพระ พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะโน้มจิตไปเพื่อที่จะเป็นอะไรเป็นทิพย์ในหมดเห็นกับขาก็เห็นได้ปรุงกับเขาก็ปรุงได้ไม่ปรุงก็ไม่ปรุงได้ของท่านนี่ก็อมตะบุคคลแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาอาตมาก็ไม่ได้สงสัยอะไรอาตมาก็เข้าใจอาตมาแม้อาตมาจะเนรมิตไม่เก่งเหมือนอย่างพรมคลาพระมคลาเนี่ยไม่เก่งเพราะว่าไปเผอสร้างสักเก่งยังกรังติดก็เลยล้างไม่ออกเลยล้างยากเพราะมันติดก็เลยใช้ สิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่พูดแล้วเป็นอจินไตยที่แก้ยากทีนี้แม้แต่สายปัญญาอย่างพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าเราดนสายปัญญาท่านยังเปรย์กับพระพุทอานอนเลยว่าอโนนเนอร์มันยากอยู่ที่เอสัญญานี่เลยนะความจําเนี่ยมันจะล้างออกเสียทีเดียวให้หมดไม่ทันทีสายปัญญาอย่างเหลือเราิมิตลอยเรื่องมื่อเรื่องลิมิตค้าง ถ้าขึ้นมาสร้างแล้วจะดับยากส่วนเจโตนั้นจะปรุงขึ้นยากดับง่ายส่วนปัญญาเนี่ยฟุ้งง่ายดับยากลองสังเกตตัวเองอะ่ะใครฟุ้งง่ายดับยากนั้นปัญญาถ้าใครดับง่ายฟุงง้งยากนั้นเจโตสองอย่างวันนี้ใช้เวลาเลยเวลาไปแล้วจบ ค่ะครับกลบคารวะธรรมค่ะไสเจตัวใสปัญญาโอ้วันนี้เทศประมาททุลวนเลยเนอะวันเนี้ยออโอ้โหสุนีเนี่ยเทศบกันนี้เนี่ใคร ฟังรู้เรื่องนี่ดีน ะ, ะประมัดลวนเลย